ขอกขราบคารวะพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงครับตามสิีการปฐมสมณะและพิสุกสรุปด้วยความเคารพครับเจริญธรรมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่อยู่ที่ห้องส่งและอยู่ที่บ้านทุกทุกคนวันนี้รายการเรียนอิสระตามสำนึกกัพรกษท่านเช่นเคยนะตั้งแต่เวลา18นากาถึง20นาฬิกาโดยประมาณ วันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่26รกรกฎาคม2556โปรกแกร 4, มสี่คาำเดือน8ปีมาเสงวันนี้รายการอิสระก็ยังจัดอยู่ที่ชุมชนราช ธ, ธานีโศกนะบ้านราษเมืองเรือบ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ําบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะนะเพราะว่าพ่อครูมาจมําบรรษาอยู่ที่พุทธสถานราช ธ, ธานีโศก ซึ่งคำว่าพุทธสถานราชเนียโศกดิแทบคนแทบไม่รู้จักเลยว่าอยู่ตรงไหนนะรู้แต่ว่าชุมชนราชธธานีโศกเรารู้จักนะแต่ว่าพุทธสถานราชเนียโศกในคนมองมันก็เห็นนะถูกชุมชนกลืนนะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนนะที่นี่ชุมชนเกิดก่อนถ้าเป็นสันติยโศกพุทธสถานเกิดก่อนก็จะวัดเป็นหลักใหญ่นะที่ปฐมโส ก, ก็เช่นกันนะ ที่อื่นที่ื่นนะนะแต่ที่นี่จะเป็นชุมชนเกิดก่อนนะชุมชนกระดูกว้างนะแต่วัดนี่คนมาแล้วจะไม่รู้ว่าอยู่ไหนโบสถ์อยู่ไหนนะกุฏิสมณะอยู่ตรงไหนเขตสมณะตรงไหนเนี่ยถ้าแากไม่ออกนะมันอยู่ใกล้ๆติดติดกันนะะซึ่งพรอครูก็ซ้อนอยู่ไม่ใช่อยู่ไกลมันซอนอยู่ด้วยกั น, <อ> น, นเนียนซ้อนอยู่เนียน เป็นอันอันเดียวกันใช่ไหมครับเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ที่อื่นๆมันจะแยกชัดเจนนะแต่ที่ราชเีโศกเนี่ยมันเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะนะชุมชนบ้านวัดโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนก็ไม่รู้ยู่ไหนนะมันก็ยุงไหนมันซ้อนอยู่กันงีครับมันมองมองคนมามองไม่ออกนะเอ๊ยุไหนเนี่ยนะบ้านวัดโรงเรียนบอบนินซ้อนกันอยู่ัเป็นเรื่องของบแต่ว่า บุคคลได้ยิ่งไม่แยกเลยอ่ะครับมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมดเลยบ้านวัดอุเรียนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแบบเราเรียกว่าเอโกธรรมโมลครับหรือเอกีภาวะครับแสดงว่าเป็นลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับโ <มา S 1> รูปธรรมครับภาพครับอันนี้ก็ที่ราชเนียรโสกเราก็จะเห็นจุดเนี้ยเป็นจุดที่ที่แตกต่างกว่าที่อื่นๆที่มองเห็นนะพ่อครูถ้าที่จัดรายการเดินอิสระหรือ สงครามสังคมมเนกส่วนใหญ่ก็จะเอาภาระแปดเจดหดีนะแต่ตีงูให้ให้กากินนะพวกกาทั้งหลายก็นั่งอยู่แถวแถวเนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านขอบ้านทหลายนะดวงทั้งตมา ด, ด้วยก็เป็นกาตัวหนึ่งนะที่ได้กินงูจากพวกครูได้ปรุงสําเร็จให้เราได้กินนะส่วนใหญ่เราก็ได้ประโยชน์จากสิ่งที่พวกครูได้อธิบายถือว่าแปดเห้าเป็นตัวอะไรนะเป็นตัว กระตุ้นนะให้พระครูต้องอธิบายสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่นี้ให้เกิดความกระจ่างมากยิ่งขึ้นนะซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ก็พระครูก็จะที่บายเรื่องพระไตรปิฎกแต่เราก็ต้องอธิบายของแปดเจ็ดศูนห้าไปก่อนนะวันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะยังไงนะแต่จะอธิบายเรื่องชาติเรื่องความเกิดนะที่จะอธิบายให้พวกเราได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าเกิดเกิดโดยทั่วไปเนี่ยคนเขา้าใจว่าเกิดจากท้องพ่อท้องแม่นะ แต่เกิดทางด้านวิญญาณกิเลสเกิดหรือว่าสัตว์โอบาติกะเกิดที่จะเกิดเป็นเทพนะอุบัติเทพนะ ว, วิสุทธิเทพนะที่จะเกิดมาเป็นยังไงเนี่ยอันเนี้ยก็ถ้าไปเทพเนี่ยสมัยก่อนแต่ละมาก็นึกว่ามันอยู่บนฟ้านะก็ยังคิดอยู่ว่าเออเทวดาอยู่บนฟ้านี่ทำไมมันจะ จะ ก, กินอะไรนะนี่ก็ยังคิดคิดอยู่นะหรือว่านรกหยุดอยู่ใต้นี่มันจะจะยังไงนะเจาะน้ําลงไปมันจะเจอนรกไหมเนี่ยอะไรลนะักษณะเนี่ยนะมันจะเจอเจอไหมคือเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่าไอ้นั่นดีกระยักษ์ยักษ์กยกอยู่ใต้บาดาล น, นี่นะเราเอดําลงไปมันจะเจอบาบาดาลมีมนุษย์อยู่มีนางนางจักอยู่ใต้บาดาลนั่นนี่มันเป็นยังไงนะคือในเรื่องมันก็จะมีบอกเราไว้ ในบุคลาธิฐานนะที่ก็บอกบอกไว้นะแต่ของธรรมธิฐานเนี่ยของพวกครูอธิบายนี่จะชัดเจนว่าแท้จริงมันอยู่ที่จิตวิญญาณแล้วนั่นแหละนะต อ, อนนี้เราคงได้ฟังสิ่งที่ควรจะได้ฟังนะพวกครูจะอธิบายควร ไ, ได้ฟังในเรื่องของการลดละกิเลสเป็นสําคัญเป็นรายละเอียดที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเราจะจับตัวที่รายเป็นเจตสิกที่รายละเอียดมากยิงย่งขึ้นยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราจะฟังรู้เรื่องก็หมายความว่าเราต้องปฏิบัติทำตา ม, ตามแนว สมาธิที่ตามหลักเบ้าองแปดของพระผู้เจ้าโดยตรงและที่เป็นสมา ธ, ธิที่แท้จริงจึงจะฟังพระครูรู้เรื่องแต่ถ้าปฏิบัติไม่ใช่หลักตามนี้แล้วแล้วก็อาจจะมาว่าฟังไม่รู้เรื่องอ่ะฟังยังไงก็รู้เรื่องยากเพราะว่ามั น, ม, นมันคนละเรื่องอะ่ะนะคนละโลกกันเลยระวังโรค ก, กุตตะละที่แท้จริงกับสิ่งที่ไม่แท้จริงเนี่ยมันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะก็น้องขอกรา บ, นบนอวยพรพระครูด้วยความเคารพครับ้า <c oughs> อ่อนจะได้บรรยายรม่ว่าอธิบายอะไรแต่ใดไปก็มีรายงานมาจากนายไพรเมืองกันเทพกระผมนายไพรเมืองผู้ดูแลพาน้องๆสสสอออนี่คือสมาชิขาสันติโศกโรงเรียนสมาชชิขาสันติโศก ทำกสิกรรมฝึกทักษะชีวิตอยู่ที่คลองสิบสามปทุมธานีขอฝากตราบเรียนงานรตรงานกรณีมีผู้แจ้งในรายการาสงครามสังคมธรรมการเมืองเมื่อพุหสบดีที่ยีบห้ากรกฎ <Wow. S 1> าคมห้าสิบหเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานั้นว่า ทำไมสวนบุญผักพืชจึงเผาฟางอยู่ทำไมสวนบุญผักพืชจึงเผาฟางอยู่เป็นชาวโศกนี่บอกเขาไม่ให้เผาฟางอะไรเงี้ยตั้งแที่อโศกมไม่ส่งเสริมการเผาฟางนั้นผมขอชี้จแจงว่าที่นาบริเวณที่เราเผานั้นคือญ้าที่นาจริงแต่ไอ้ที่เผานั้นญยา ญ้าที่ถูกทิ้งรกร้างไว้นานเพราะเราไปเพราะว่าเราไปทํากิจกรรมอื่นๆกันจนไม่ได้ลงทํานากันสักทีไอ้ไม่ได้ทํานานสักทีจะมีฟางที่ไหนไม่เผาเพราะไม่เผาไปไม่ใช่ฟางนะไม่ได้ลงทํานานสักทีเราจึงเตรียมพื้นที่เพื่อลงนากันในวันแม่นะ12สิงหาคม56นี้ที่จะถึงนี้จึงช่วยกันจัดการกับหญ้ากก ยาไฟยานา้ำาประยญใหญ่ซึ่งกำจัดยากมากครั้นจะใช้วิธีธรรมชาติหมักไปเลยก็ต้องใช้เวลา น, านานเป็นหลายเดือนเราจึงใช้วิธีลากขึ้นมาเผาเป็นจุดๆ ต, ตามกำลังพวกเราที่มีจึงทำตามกำลังพวกเราที่มีเผาจุดๆตามกาลังพวกเราที่มีจึงทำให้ผู้พบเห็นควันหรือการเผา เข้าใจว่าเราเผาฟางเรายังไม่มีฟางเลยครับหน้าเราร้างมานานพราะเราไปทํากิจกรรมสัญจรกันส น, นานจึงต้องรับเตรียมดินเออทึ่จึงรีบจึงต้องรีบเตรียมดินเตรียมพื้นที่จะทํานากันในวันแม่นี้แหละครับขอบ้อน้มัสการกราบเรียนบักหลูครับ น, นี่ราย ง, งาน สิ่งที่มันไม่จริงนะตามพระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ก็บอกเขาว่านั่นไม่จริงที่เราไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงไม่มีใ น, ในเราเราไม่ได้มีอย่างนั้นก็ว่าไปนะเช่นเดียวกันนี่คุณเมา่วานนี้ก็ดีคุณแปดอ่เดียเด๋ยวเดี๋ยวเอ า, เอาไม่ 8, 4, 7, 2, 7, นจะแปดเรคนโทรลสี่เจ็ดสองเจ็ดนะเดี๋ยวก่อนจะพูดของคุณสี่เจ็ดสองเจ็ดนี่คุณสามสองหนึ่งสองนะ ถามมาอาตมาก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ถามมาว่าให้เอ t เอมทวเผยแพร่ผ่านมือถือระบบ a อ d ดรอ d เป็นไงอาตมาไม่รู้ไม่มีความรู้อวก <c oughs> ช่างเทคนิคตอบให้อาตมาทีคุณสามสองหนึ่งสองฮะให้ผ่าน พวก i p ้ของ iPad อะไรนี่ระบบระบบแอ d ดรอยมือถือแอนดรอยไปผ่านมือถือก็ดูได้เัมนกันเนาะใช้ระบบ Android งั้นกันผ่านอยนะ p, p, ู่ในไอโฟนไอแพดอะไรดูได้รากว่าเ m เผยแพร่ผ่านทั้งนี้ได้ไหมสามสองหนึ่งสองเขาว่ามานะอ้าวอันนี้ผ่านไปทีนี้คุณสี่เจ็ดสองเจ็เนี่ยบอกมาว่าโพธิรักนี่มั่วได้โลจริงจริงนะ ศี 27, เจ็สองเจ็ขาว่าอาวัาตามามัา่วนะพูดมวมวั่วเขาหายไปนานแล้วมวั่วได้โลจริงจริเจ็สองเจ็ดหายไปนานนะมั่ ว, วได้โลจริงๆมีแต่วาทะมีแต่วาทะนะเอาเอาอันนี้ก่อนนะสองอันมีสองข้อความเอาอีข้อความนึงก็ได้พูดไปก่อนเพราะมันไม่ยาวสัมผัสห้า ทุกคนมีตั้งแต่เกิดแล้วแต่โพธิรัตน์เพิ่งมามีตอนปฏิบัติธรรมว่างั้นเลยนะอ้าวเอาค่อยว่ากันพูดอันแรกก่อนโพธิรัตน์นี่มั่วได้โลจริงจริงว่างั้นมีแต่วาทะว่างั้นไอวาทะที่อาตมาพูดไปแน่นอนะผู้ที่ฟังวาทะของอาตมาเนี่ยอ่ามันก็เป็น อาตมาบอกได้ว่าเป็นความรู้ที่ลึกลึกเป็นความจริงชั้นสูงนะเพราะงานพูดผู้ฟังถ้าพูดใดฟังแล้วก็เข้าใจหนะ้าที่อาตมาพูดไปเป็นวาทาต่างๆผู้ฟังเข้าใจเข้าใจดีๆก็เป็นวิชานะฟังแล้วเข้าใจนะไม่รู้สึกว่ามัว่วบอกโอ้โหลึกซึ้งซับซ้อนลึกนะก็จะเป็นผู้ที่เข้าใจเ็เป็นวิชาเป็นความรู้ ส่วนผู้ที่ฟังไม่เข้าใจรู้ไม่ได้ก็คือผู้ยังอวิชชานะผู้ยังอวิชชาคือผู้ยังไม่เข้าถึงนะยังเข้าไม่ถึงนะมันเป็นอย่งังไงอัตมาเป็นคําตอบนะถ้าคําพูดหรือคําบรรยายนะไม่ว่าของใครและของอัตมา ก, ก็กของใครก็ตามถ้าคําพูดคําบรรยายของผู้ใดเนี่ยพูดพูดไปแล้วนะไม่มีใครรู้ด้วยเลย ใครๆไม่มีใครรู้ใครๆก็เข้าใจไม่ได้พูดไปไป้ายพูดไปไม่มีใครเข้าใจได้คนพูดนั้นพูดมั่วแน่คนคนนั้นมั่วหรือไม่กับคนบ้าที่รู้อยู่คนเดียวหรือว่าบ้าอยู่คนเดียวคาพูดนั้นก็เพ้อเจ้อใช่มหคนนี้พูดป้อยคนทั้งหลายก็ฟังแล้วก็ยิ้มพูดอะไรว่ามันไม่รู้เรื่องไม่มีใครฟังเข้าใจเลย คนนั้นมั่วไม่มัวกรบบาพูดอยู่คนเดียวเพอ้อเจอ้ออยู่คนเดียวแต่ถ้าคำพูดหรือวาทะนั้นที่มีคนฟังเข้าใจและก็นำไปปฏิบัติได้ผลเจริญด้วยยิ่งเจริญในการลดละนายคลายได้จริงด้วยคำพูดหรือวาทะนั้นเป็นธรรมวาทีส่วนผู้พูด ที่พูดเพอเจอนะ่ะส่วนพูดเพอเจริยรื่รองพวกนี้ไม่มีใครรู้ด้วยเลยคือคนมีแต่คําพูดเปล่าๆนั่นหรือว่าอัตวาทุต ป, ปาทานเท่านั้นนะ่ะคือมีแต่วาทะไม่มีความเป็นจริงทําตามไม่ได้จริงนั่นก็คือคนชนิดหนึ่งที่แยกไปแล้วไมว่าคนมั่วหรือคนบ้านะแต่อัตมาว่าอัตมาพูดไปนี่มีคนฟังรู้ได้ คุสี่เจ็ดสองแปดรู้ไม่ได้อตมา 47, <27. S 1> โอ้สี่เจ็ดสองเจ็ดรู้ไม่ได้อตมาพูดแต่ต้นแล้วว่าคนรู้ไม่ได้คือคนอย่าง อ, าอาวิชายังเข้าไม่ถึงพอฟังไม่ได้ฟังไม่ถึงก็ก็เยอะมันก็เลยสูกว่าอะไรว่ามันอะไรเป็นอะไรมั่งมันมันบั่มมวงมุ่นวุ่นไปหมดมันจัดไม่ติดเนี่ยมันอันะไรไม่ได้อะไรชนอะไรไม่ได้เพราะอันนี้จริงเพราะว่าละเอียดขึ้นมามันจะมากภาษาก็มากสภาวะธรรมก็ละเอียดมากสั อาตมา ก, ก็เห็นใจในคนที่ฟังธรรมะของอาตมาตอนนี้เนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเนี่ยก็เห็นใจอยู่แต่ว่าอาตมาจําเป็นที่จะต้องไล่ไปเรื่อยก่อนให้มันถึงมันยังไม่สุดจบนะอาตมายังอธิบายเนี่ยังต้องไล่ลึกสูงขึ้นไปอีกไปอี ก, อกเราก็จําเป็นนะเพรงงาะงั้นคําพูดที่อาตมาบรรยายเนี่ยกับคําพูดคนที่ที่เขาพูดประมว่ว่ า, ววาพูด มันไม่รู้เรื่องคนฟังไมารู้เรื่องนะก็จริงแต่อาตมาพูดนี่มีคนฟังรู้เรื่องนำไปปฏิบัติได้จริงลดละนายคลายได้แล้วก็ออกมาเป็นคนที่มีวันนักก้าวได้จริงในปัจจุบันนี้เป็นชาวโศกนี่คือข้ อ, อยืนยันความจริงถ้าคำอาตมาพูดมัว่วพูดบ้าอยู่คนเดียวนะี่มันไม่มีใครรู้เรื่องด้วยมันจะมีคนมามาร่วมมาปฏิบัติตามแล้วก็ มาทําอะไรอะไรได้เลยและมันก็มีในยะสําคัญด้วคนฟังคนรู้เรื่องแต่เป็นเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีแต่มันก็มีสภาวะสภาพเป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งมันบําเรอ ก, กิเลสเขาเช่นกลุ่มคนที่มีกิเลสแล้วก็เป็นคณะหมู่ใหญ่อย่างประเทศไทยขณะนี้กําลังเกิดเนี่ยแล้วก็ไปจับกลุ่มกันฟังรู้เรื่องกันนะแล้วเขาก็เอาด้วยกันเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นได้ ไม่เป็นไปเพื่อความละนายคลายไม่เป็นไปเพื่อความพลุกไม่มีวันณะกเก้าไม่มนะีไม่มีมมออวันนักเก้าตั้งแต่อะไรอ่รเริ่มต้นตั้งแต่เลี้ยงง่ายบำรุงง่ายใช่ไหมเลี้ยงง่ายสุพระสุโสพสัพปิจฉะสันตุธิัมักนนะ้อยสันโดดนะแล้วก็สันเลขาขัดเกลา้าขัดเกลา้าเรทิ วิญญริยาภาษาทิกะก่อนนภะาษาธิกะ <c oughs> นะมีอาการที่นานเหลื่อมใสเนี่ยเรามามาักน่าจะตรวจมาเป็นอย่างงี้ที่เขาเรื้มใสกันอยู่อโศนี่เป็นเพราะว่ามันมีวันณาเกา้าอย่างนี้นะไม่สะสมไม่กัดเก็บอะไรอปจิ ย, ยะขยันเสมอนะวิญญริยาลัมภะขยันอยู่เห็นได้ชัดเจนวันณาเก้านี่มีชัดเจนพวกเรา เป็นทำปัจจุบันนี้มาถึงวันนี้สามสิบสี่สิบปีมานี่ก็เป็นผลอะไรท่ายได้นะเพราะฉะนั้นคุณสี่เจ็ดสองเจ็ดนี่ยก็ได้แต่พูดไปไม่รู้เรื่องอะไรไม่เห็นอะไรไม่เอาหลักฐานอะไรตัวเองมีแต่คือตัวเองฟังไม่รู้เรื่องน่ะอาจะมาไม่ได้ว่าไม่ได้ตูนะเมื่อฟังไม่รู้เรื่องก็คือคุณยังไม่รู้ไม่รู้ภาษาบาลีท่าว่าอวิชชาเป็นคนยังอวิชชายังไม่รู้ ยังเข้าไม่ถึงสัจจะประมาจาร์ธรรมพวกนี้พระมาจักรพวกนี้เนี่ยอาตมาพูดจริจรงๆไม่ได้ไปโกรธเคืองไม่ได้ไปข่มไม่ได้ไปพูดว่ากล่าวอะไรหรอกนะผู้นี้ฟังเฉยๆซึ่งก็เห็นใจนะคำพูดของเขานี่ย่าทางสำเนียงสมเสียงประชาชานแดกดันอาตมามาอย่างเต็มรูปอ่ะนะโพธิรัก์นี่มั่วได้โลกจริงๆมีแต่วาทะว่างั้นมีแต่วาทะที่นายอาตมามีสิ่งรองรับเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นหมู่ บ้านเลยนี่หมู่บ้านชุมชนเลยและไม่ใช่หมู่บ้านเดียวด้วยหมู่บ้านที่เป็นทั้งนิติในก็ตั้งสองหมู่บ้านนอกนั้นก็มีหมู่บ้านอยู่อีกตั้งเป็นสิบ0หมู่บ้านทั่วประเทศนะคนบ้าคนม่วมาทับอย่างนี้ได้ตำรวจจับไปนานแล้วแล้วก็เอาไปโรงพยาบาลบ้ากันหมดแล้วเ <c oughs> นี่ยตมาขอขอพูดจริงๆนะยืนยันได้ว่าคนหลับหูหลับตาว่าอาตมาเนี่นะ ถ้าไม่อวิชามากหนักพอสมควรนี่ไม่กล้าว่าหรอกถ้าคนที่ว่าแตมาในคนอวิชามากหนักหรืออัคติหนักไม่รู้และอัคติด้วยคนที่เขาไม่เคยรู้เขาไม่เคยมีอคติเท่าไหร่ไม่โกรธไม่รักไม่ชังมากก็เลยไม่เต็มไปด้วยอคติเกลเพราะรักเกลเพราะชังเกลเพราะโกรธเกลเพราะอะไรพวกนี้ยเขาไม่มีมากเขาก็ไม่ไม่ไม่ไม่อะไรมากแต่คนที่มีพวกนี้ก็จะ ทนไม่ได้เราอดไม่ได้ก็ว่าอาตมามาเงี่ยมันเป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะก็อธิบายสู่ฟังลักษณะธรรมนอาทิ น, นี้ที่อีกข้อหนึ่งที่คุณสี่เจ็ดสองเจ็ดว่าสัมผัสห้าทุกคนมีตั้งแต่เกิดแล้วแต่โพธิรักและเพิ่งมามีตอนปฏิบัติธรรมจริงนะ ตอนที่อาตมาไม่ได้ปฏิบัติธรรมอาตมาก็มีมาตั้งแต่เกิดจริงๆด้วยนะพอมาปฏิบัติธรรมแล้วมีความรู้ในการปฏิบัติเรียนรู้และก็ปฏิบัตินี่แหละในปัรษะห้าพรรษาหกนี่แหละอธิบายปากเปียวปากแฉ่อยู่นี่โอ้โหวิเศษวิเศษโซจนกระทั่งมาถึงประเด็นสำคัญที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเขาแยงมาว่าเขามีสัมผัสหก สัพพัตที่หและไอ้สัพพัตที่6เป็นแมกจิคอลอะไรที่เป็นเรื่องลึกลับเป็นเรื่องอะไรอะไรอาจาก็ที่บายไปแล้วที่จริงสัมปัตที่6ของพระพุทธเจ้านั่นคือวิปัสนาญาณ น, นะเป็นวิปัสนาญาณ น, นะเป็นญาณทางจิตที่สามารถรู้รู ป, ปกายนามกายสามารถรู้อะไรอะไรลึกซึ้งละเอียดละอสมบูรณ์รูปนามต่างๆนะ นี่เป็นต้นไม่ใช่ไปรู้อะไรลึกลับประเภจผููก็ไม่รู้เรื่องว่าอภิสูจนก็นไม่ได้ไม่เอหิปัสิโกไม่เป็นวิทยาศาสตร์นะไม่ใช่อย่างนั้นแต่นี้เป็นเอหิปสัสโกเป็นวิทยาศาสตร์มีผลเห็นได้สัมผัสได้อย่างจริงจังเพราะการที่จะว่าอาตมาว่าสัมผัสห้าทุกคนมีตั้งแต่เกิดแล้วแต่โพต ร, ร็ พอตรรลโพธิรักเพิ่งมามีตอนปฏิบัติธรรมนี่มันตั้งได้เกิดเพิ่งมามีในปฏิบัติธรรมเนะี่ยพูดถูกมามีในปฏิบัติธรรมหมายความว่าตอนปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยรู้ว่ามันมีแล้วกับปฏิบัติกับมันมีประโยชน์มีคุณธรรมสําเร็จได้จากที่มามาปฏิบัติธรรมถ้ายังไม่มปฏิบัติธรรมกันจะมาก็ไม่ก็มีอย่างที่ทุกคนมีนั่นแหละอย่างที่คุณสี่เจ็ดสองเจ็ดว่าอะ และคนที่ไม่มีเหมือนกันมีปสัทห้านี่ทุกคนทุกคนมีหมดแต่เขาไม่ได้ปฏิบัติทำน่เขารู้เรื่องอย่างอาตมารู้ไหม ล, ล่ะสัมปัสธหานั่นเขาเอามาเป็นประโยชน์ที่จะลดละกิเลสทำให้ตนเองพัฒนาขึ้นมาเป็นอารยชนเป็นบุคคลบรรลุทําได้ไหมละ่ะเพราะฉะนั้นคุณสองสองสี่เจสองเจ็ดเนี่ยตรวจตัวเองดูบ้างนะไอ้ที่บอกว่าสัมปัทหาน่นมี ทุกคนมีมาตแต่เกิดแล้วเขาก็คงหมายถึงเขาด้วยวเขาก็มีมาแล้วปวตัวว่าตื่นเต้นอะไรโพธิรักเพิ่งมารู้ไอ้จอนมีนติปฏิบัติทําเองเนาะเขาก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไอ้แต่มีนั่นแหละของคุณนั่นแหละมันพาให้เรียนรู้ปฏิบัติทำลดละกิเลสได้บั่งไหมแล้วไอ้มีนะ่ะมีทุกคนจริงอจะมาไม่เถียงหลอกเนียเอยกําปั้นทุกดินนะ่ะอาตมาไม่เถียง เมืออย่างครัที่คุณแปดเจ็ศูนย์ห้าบอกว่าย้อนอาตมาเจอาตมาบอกว่าอัดเทบไปไรทีว่าไอ้ความจริงนะกับคําโกหกนี่มันไม่จริงเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันไม่มีจริงเนี่ยมันเหมือนคำโกหกแต่คําโกหกนี่ในมนุษย์ชาติมันมีเยอะเลยแต่จริงๆในคําโกหกมันไม่จริงมันเป็นความไม่จริง เขาเอามาย่ออตมา <c oughs> เทียบอะไรแต่ไรเหมือนรูปนามมันไม่มีจริงอัตมาก็าใช่รูปนามมไม่มีจริงปุสเด็จหมดแล้วเนี่รูปนามมันไม่จริงเราทุกอย่างไหมรูปนามมันก็เป็นเรื่องเกินจากเหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยนั้นรู้จักตัวดับเหตุดับปัจจัยได้รูปนามมันก็สักแต่ว่าเกิดหรือมันก็ไม่มีได้แต่ข้อสาคัญที่ว่าแล้วคุณเองนะ่ะ คุณว่ามันสักต่ว่ารูปนามคุณว่าแต่มันไม่มีจริงคุณไม่มีได้อย่างอะยังอาตมาเนี่ยคำโกหกมีจริงแต่ก่อนอาตมาก็เคยโกหกแต่เดี๋ยวนี้อาตมาไม่มีแล้วโกหกอะเพราะมันไม่จริงอาตมามาศึกษาแล้วโอ้โหอาตมาบ้าไอโกอหกอยู่ได้ทั้งๆที่มันมคาไม่จริงระบาดเมื่อเขาถ่าเร็ว เดี๋ยวนี้อาตมาก็ปฏิบัติทำแล้วชัดเจนโอ้โหรู้ใจรู้ตูกกายวาจาอาตมาก็เลยไม่มีแล้วคำโกหกมันไม่มีจริงอาตมาก็ไม่มีจริงๆเพราะมันไม่จริงมันเป็นของไม่จริงไม่ดีอาตมาก็ปฏิบัติจะไม่มีได้แล้วแต่คนที่ยังทำไม่ได้เขาก็มีอยู่ว่าคำโกหกหรือกิเลสเขาก็ยังมีอยู่ เขามีจริงจริงนะจะมันไม่จริงหรอกออกได้มันไม่มีเพราะก็รู้แต่ตักกะรู้แต่เหตุผลแต่คุณมีป่าคุณมีอยู่คุณจะพูดค่ยๆได้แต่ภาษาเลยแต่ตมาเนี่ยทั้งภาษาและสภาวะต้องทำให้ตรงให้ลงตัวตามนั้นน่ะนี่คุณไปจะดศูนย์ห้าย้อนนะมามาตมาก็เลยย้อนไปบ้างต่อคืนไปบ้างว่าอาตมาเนะนี่ยเห็นความจริงของคําโกหก ในเดียวนี้อาตมาก็ไม่มีจริงละเพราะมันไม่จริงแต่คุณละคุณยังโกหกหรือเปล่าหรือเรื่องอื่นที่เป็นกิเลสเนี่ยอาตมา ก, ก็แต่ก่อนก็มีมีจริงๆในคนมีกิเลสถ้าเขารู้ตัวเขาอาตมา ก, ก็รู้ตัวอาตมาแล้วอาตมาก็ากกทำกิเลสของอาตมาจนไม่มีแล้วมันก็ไม่มีจริงๆเพราะฉะนั้นคําโกหกหรือคําเที้ยทุจริตหรือสิ่งที่ไม่ดีมันก็ไม่มีในเราเลยเพราะเราเอาออกหมดแล้ว แั่เราก็ออกเราถึงยืนยันได้ว่ามันไม่จริงเราไม่เอาแต่คนที่ยังไม่รู้ชัดคุณเขาก็ยังมีอยู่ทันเดียวกันนะเอาทีนี้มาเข้าสู่บทเรียนอาจจะมาตั้งใจจะเอาเล่มสิบกพระจะปินดกเล่มสิบกมาเริ่มต้นใหม่แหมล่มไปแล้วลบถือว่าล่มไม่ล่มหรอกมันได้เนื้อสะอาสา ร, าสาราากับปิกกร้ปลอยไปเยอะเหมือนกันเป็นปกินกะทีนี้อยากจะทาให้มันเป็นบทเลย เป็นอะไรแต่ไรไปมากหน่อยให้มันได้หมวดได้หมู่มากกว่าที่ทำมาแล้วอาตมาไม่เก่งตรงนี้จริงๆไม่เก่งเป็นหมวดเป็นหมู่ทำให้มันเดียบเียงเหมือนนักวิชาการเขาทำา1 2สอ่าี่ึงจุอุ่ดหจุ1จุดสามเขาทได้เป็นหมวดเป็นหมู่ดีจังเลย อัตมาแล้วมันมั่วไปหมดเลยมันหนึ่งแล้วมันก็สองสามเสียแล้วก็วนมาซอยมันเลยไม่รู้ว่าเอ็นหนึ่งจุดหนึ่งอยู่ที่ไหนหนึ่งจดหนึ่งจุดหนึ่งอยู่ที่ไหนหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองอยู่ที่ไหนหนึ่งจุดหนึ่งจุดสามมันอยู่ตอนไหนคนก็เลยยากไม่เป็นจริงๆสมแล้วที่ไม่ได้สักปริญญาคอ้าเป็นนักวิชาการเนี่ยพวกผมว่าคงจะยากนั่นครับพวกผมคงยากทําไมเพราะว่ามันจะหนัก เพราะถ้าเกิดพ่อครูโจจอดลึกมากแล้วฐานไม่ถึงเนี่ยมันก็เลยหนักอันนี้ถ้าพ่อครูแบบรอลึกแล้วก็มาผ่อนบ้างเนี่ยพวกผมก็ค่อยชั่วหน่อยถ้าลึกลึกไปเนี่ยมันมันไม่ไหวเหมือนกันมันไปไกลเลยนะเรียวเรียวมันตามไม่ทันนะครับแล้วจิตมันไม่ถึงมันก็ไปไม่รอบเลยเลยย้อนไปย้อนมาอย่างนี้ค่อยชั่วค่อยชั่วหน่อยครับอ้าวทั้งนี้ถือเป็นผลดีดีมากขอบคุณที่สุดายกย่องถือว่าโยกย่องนะ ที่ถึงยังไม่คยอยไ ท, ทาเล ย, เลยอ่าเอาละไม่เป็นไรต่อเอาเริ่มต้นใหม่เลยบทที่หนึ่งเลยเทศนาสูตรเลยเอาไปไล่ไปตามลำดับจริงๆนะพระพุทธเจ้าท่านตั้งใจจะตั้งใจะผู้เรียงเรียงปริปิบกนี่แหละเอามาเรียบเรียงไว้นะที่จริงไม่ได้อยู่ในอันนี้นะนี่เรียกว่าอภิสมัยสังยุตสมัยสมัยยะนี่แปลว่า อาตมานี่ชื่อในใบเกิดสมัยนะสมัยเนี่ยสมัยแต่ถ้าไปสะกดยังไงไม่รู้สอเสือสละยหมอมายอยักษ์ ก, กรันอาตมาก็ไปเจอก็เออประหลาดดีเว้ยอาตมาก็เลยมาใช้นามปากกาเป็นนามปากกาแล้วก็อ่านมาว่าสมัยไม่อ่านสมัยอะสมัยนะจำปาแพงจำปะแพ ง, แพงนามสกุลนาสกุลคุณตานามสกุลทางด้านตานะ จำปาแพงก็เลยใช้ไปมาใช้เป็นในสมัยจำปาแพงสมัยนี่หมายถึงกาละที่อยู่ในปัจจุบันนั้นสั้นก็เร็วก็ใช่หรือนานขึ้นก็ใช่ในกำลังอยู่ในปัจจุบันใดเลยว่าปัจจุบันนั้นเรียกว่าสมัยสมยะสมัยสมยะมาเป็นภาษาไทยแล้วก็เป็นพันสมัย พศเสริมเป็นอักษรสูงเนา ะ, ะสมัยหนึ่งนะพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของท่านอนาถบินกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัดถีณนะที่นั้นพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายที่ท่านเรียกมาเลยเจตนาจะสอนเลยว่ า, าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูกระปรปิกศุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นก็ทูลรับพระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าข้า พระภูมิภาคก็ได้ตรัสพระพุทธธรรมนี้ว่าดูกระพิสูจน์ทั้งหลายเราจะแสดงปฏิจจสมุ ป, ปบาทเขาไม่อ่านปะหรอกปะเป็นภาษาไทยเราจะแสดงปฏิจจสมุ ป, ปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุ ป, ปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีเถิดเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระภูมิภาคแล้ว ต่อมาข้อสองของเทศนาสูตรในสุดขออ้ขอสองขอ้อสองาพระผู้มีพระาคได้ตัดว่าดูกระภิกษุทธทั้งหลายก็ปฏิจสมุบาตเป็นฉนะัไหนผู้ที่รู้แล้วก็ฟังไปใจเย็นๆไม่ต้องไปว่ารู้แล้วนะรู้แล้วนะฟังดีๆดูกระพิสุท์ทั้งหลายก็ปฏิจสมบาติเป็นฉนะัไหนดูกระพิกษุท์ทั้งหลายเพราะอาวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสละยตนะเพราะสละยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทาน เพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงมีภพเพราะภพปเป็นปัจจัยจึงมีชาเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชราและมรณะโซกะปริเทวะทุกขโทมนัสสะและอุปายาสความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้ย่อมมีด้วยประการละอย่างนี้ นี่เราเรียกว่าปฏิจสมุบาติปฏิจสมบาติคือกองทุกความเกิดของกองทุกหรือความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลปฏิจสมบาติที่เกิดในกองทุกทั้งมวลเพราะมันเริ่มต้นด้วยอวิชชาปฏิจสมบัติที่เริ่มต้นด้วยอวิชชา เพร ะ, ะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นอวิชามาลงท้ายถึงอุปายาสะคือกองทุกทั้งมวลเลยสังขารก็ทุกวิญญาณก็ทุกนามรูปก็อกองทุกส่วนของกองทุกทั้งนั้นอายตนะปัสะเวทนาตัหาอุปาทานภพชาติโสกะปริเทวทุกขโทมานัตอุปายาสะนั่นแหละคือบเบล่งกองบเบล่งเลยกองทุกทั้งหมวล ฟัดีๆอาตมาจะ ก, ก็ค่อยอธิบายบรรยายไปง่ายๆสบายๆายและเอียดละลี่ไปคนใหม่ๆก็ฟังดีคนเก่าๆก็ฟังได้ถ้าไม่มีอัตามาณมากนัก <c oughs> ถ้ามีอัตามานะมากหน่อยก็อาจจะฟังแล้วก็ลำคาญก็ได้หาว่าอาตมาเล่นเล่นหัวหัวบ้างก็ได้ว่าอาตมาจะพยายามอธิบายมันให้เหมือนเชิงเชิงเล่นเล่นหัวหัวหน่อยสบายๆสนุกๆบ้างนะ ชัดเจนขึ้นนะว่าปฏิจสมุปบาททั้งหมดนี่แหละตั้งแต่อวิชัยยันอุปายาสะที่จนตรัสไปทุกคำเก ย, ยจะได้พูดถึงทุกคำแหละนะคือรวมแล้วทั้งหมดคือกองเบลเลขเท่งของทุกกองทุกอ้าก็ขอพูดใส่ไว้นิดนึงเป็นความรู้ประดับว่า แล้วจะหมดกองทุกนี้ได้อย่างไรก็ต้องดับอวิชชานะจะดับได้อย่างไรโปรดติดตามอย่ากระพริบตานะต่อนะทีนีนะ้พระพุทธเจ้าท่านก็ครบแคลก่อนอก่อ น, ออนที่จะไปต่ออะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรนี่ท่านจะแจกแต่อรตมาจจะต้องแปลเป็นความหมายไทยก่อนเพราะว่าท่านตัด อยางนั้นกับภิกษุด้วยภาษาบาลีท่านไม่ต้องแปลเพราะภิกษุทั้งหลายฟังภาษาบาลีจากพระพุทธเจ้าจบปุ๊บรู้ปั๊บแล้วเข้าใจแล้วอวิชชาเขาก็รู้แล้วสังขารเขาก็รู้แล้วตามภูมิตามเพราะมันเป็นภาษาของเขาอแต่มาพูดกับไทยอไทยก็มึนตื้อและมึนตึบจะไปรู้ได้ยังไงนะก็ต้องแปลเป็นไทยก่อนนะ พระเจ้าไม่ต้องแปลเพราะว่าท่านพูดกันแล้วก็เท่านฟังบาลีกันรู้เรื่องแต่เราต้องแปลอวิชาแปลว่าความไม่รู้แล้วต้องจําเพาะให้ชัดเจนว่าไม่รู้คํานี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่รู้อะไรเลยโอ้ทําขนมปังนี่ทํายังไงนะเราไม่รู้เป็นอวิชาไม่ใช่เออเนี่ยเราไม่รู้นะเราจะทําจรวจเพื่อที่จะออกไปนอกโลกนี่เราไม่รู้เป็นอวิชาไม่ใช่ หรือความรู้ขีมูราณขีมาแย่งอะไรต่างๆพวกนี้ก็ไม่ใช่อวิชชาอวิชชาหมายความว่าความไม่รู้ในอริยสัจทุกอริยสัจหรืออริยสัจสี่ตีเขาเป้าเลยอวิชชาในความไม่รู้อริยสัจสี่ไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุแห่งทุกไม่รู้จักความดับทุกไม่รู้จักวิธีให้ดับทุกแล้วก็ ทำได้ครบคือรู้ทั้งวิธีในความดับทุกข์และรู้ตัวทุกข์ตามมาเหตุได้และก็ดับเหตุได้ตามวิธีที่มีข้อที่สี่จนดับเป็นนิโรธหมดทุกข์นี่คือเนื้อหารวมาศาสนาพุทธอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าอวิชาก็คือไม่รู้ดับกองทุกอบเลงเทงนี่ น, นั่นเองไม่รู้ ความไม่รู้นี่คือไม่รู้ไอ้ดับกรองทุกบรรเลงเทลงนี่คือทั้งหมดที่ท่านว่าไว้ทั้งหมดนั่นแหละกี่คำกี่คําอะเดี๋ยวจะแปลไปเรื่อยเพราะเขาก็ไม่รู้หนึ่งไม่รู้สังขารที่มันเป็นปัจจัยคือเป็นนีกเป็นปัจจัยแก่กันและกันอวิชชาพอไม่รู้คุณปรุงอยู่ทุกวันนี้สังขารทุกวันกายสังขารวจิสังขารจิตสังขารอะไรอยู่เนี่ยออกมาเป็นทุกข์หมดแหละแต่คุณหลงว่าไม่ทุกข์เพราะมันหลอก มีสุขคุณก็เลยนึกว่าไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ไม่ทุกข์เพราะคุณพยายามแสวงหาที่เป็นสุขคกะมาอาศัยเสมอและคุณก็ได้อาศัยชั่วคราวต่อเนื่องกันอยู่เนี่ยไม่หยุดเลยเพราะคุณเอาภิชาติกับสังขารมันก็ขยายต่อไปสังขารมีสามนั่นแหละ กายสังขารก็จีสังขารจิตสังขารไม่รู้สังขารยังไงก็ไม่รู้คําว่ากายสังขารคําเดียวก็ยังเข้าใจยากอยู่แล้วนึกว่ายกตัวอย่างกายสังขารคือดินน้าไฟลมมันปรุงกันแต่งกันเป็นแท่งก้อนของร่างกายไม่ใช่กายสังขารคือการสังขารที่ประชุมทั้งรูปนอกและรูปในและนามมาทําด้วย เรียกว่ากายสังขารทั้งบอกเลยอย่างนี้เป็นต้นน้านี้ยอัิบาอธิบายลำขึ้นไปถึงสังขารแล้วน่ะก็ได้ต่อไปได้ว่าสังขารอภิชาคือไม่รู้นั่นแล้วเสร็จสังขารคืออะไรคือการปรุงร่วมจัดแจงทําให้มันเกิดเป็นสิ่งรวมสร่งรวมกายก็คือกายโยกายโยต้องมีนามมาได้รูปมีแต่รูปไม่มีนาม ไม่เรียกกายฟังอีกหมื่นแสนเที่ยวแต่พูดอีกครั้งเดียวนะเดี่ยวปากจะฉีดขางเจยียรแต่คือไปพูดตามที่ว่านั้นกายคําว่ากายหรือกายสังขาร น, นี่มีแต่เฉพาะรูปไม่ได้ต้องมีนามเสมออ่บอกจะพูดครั้งเดียวก็พูดครั้งเดียวแล้วกัน เมื่อกี้บอกว่าจะพูดสมุนไชย์ล้านน่ะครับแล้วพูดไม่ได้แล้วมาค้างยานทะขึ้นพูดไปตามนั้นพูดข้าขอครัพูดข้างเดียวแต่ท้เขาหลังก็พูดได้อีกครับได้อีกตอนใดก็เอาหไหม่กิกครับ <hours. S 1> ตอนนี้ก็เอาแค่นี้ก่อน <c oughs> อ่ายิ่งวิงจีสรรค์แล้วนี่ถ้าไม่ได้เรียนแล้วรู้ยากมากเพราะวาจีสังขา์านี่จะอ่านรู้ของจริงได้ต้องรู้จักสังกัปปะเจนี่พูดล้าหน้าไปถึงพวกเราได้ผ่านมาแล้ว ต้องอาจิตเป็นเลยถึงจะรู้ว่าจีสังขารที่มันอยู่ข้างในมันเป็นจิตสงังขารว่จีสังขารนี่เป็นว่าจีสังขารที่ซ้อนอยู่ในจิตสังขารเพราะเราจะรู้จิตจิตสังขานี้เป็นโครงนอกองค์รวมใหญ่ก่อนแต่คนจะไปรู้จากว่จีสังขารซึ่งถ้าว่าจีสังขารที่เป็นอคุศลประจิตปะสมสังขารอยู่คุณก็จะเรียนรู้เข้าไปยิ่งจะให้ว่าจีสังขารมันไม่มีมอคุสนจิตคุณก็ต้องรู้จักอคุสลจิตนั้นและกําจัดอคุศนจิตนั้นได้ มันจึงจะเป็นสังขารที่ไม่มีอกุิโสฬจิตเป็นวิจิสังขารอยู่ข้างในยังไม่ออกมาเป็นวิจีกรรมเป็นวิจิสังขารอยู่ข้างในใจถ้าออกมาพูดมันก็เป็นวิจิสังวจิกรรมแต่ทันนี่ไม่ไมใช่วจิกรรมเป็นวิจีสังขารอยู่ข้างในอันนี้อาตมาก็ไม่เคยเห็นอาจารย์ไหนเขาอธิบายแต่อาตมาอาธิบายได้และก็มีหลักฐาน ย, ยืนยันว่าอยู่ในสั ง, สงสกะพาจเจตทีอาตมาก็รู้จัก วงจรของสังกับปัจเจกว่ามันสังเคราะห์กันยังไงสังขารกันยังไงก็ยิบมาขยายความให้ฟังนะเพราะสังขารก็มีสามสังขารขยายไปก่อนก่อนแต่ที่จริงต่อไปท่านจะขยายแต่ว่าทานมาขยายความไปนิดหน่อยวิญญาณท่านจัดไปก่อนว่าเบื้องต้นตามลำดับนิ่วิญญาณก็ต้องรู้วิญญาณโดยรู้วิญญาณ เดียววิญญาณอะไรนะวิญญาณหกต้องรู้วิญญาณวิญญาณหกในปฏิสุบานนี่จะเป็นอย่างนั้นวิญญาณคือธาตุครูแต่ทีนี้คุณก็ไม่ไม่ปฏิบัติตามปฏิสุบาทก็ไปวิญญาณไม่ใช่วิญญาณหก กลายเป็นเป็นวิญญาณล่องลอยเป็นวิญญาณแมจิคอลอย่างที่ว่าทั้งที่คุณแปดชนเจ็ดว่าจิตวิญญาณพีนรกจิตวิญญาณเทวดาอะไรเป็นโน้เป็นแบบสาธิตพิสุสาติตเขาก็ไม่ไม่ยอมรับเราว่าเขาเป็นแบบพิสุสาติตเพราะฉะนั้นวิญญาณนี่จงเกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหกเกิดต้องสัมผัสนอกใน ถ้ามีแต่นอกอัตมรก็อธิบายมาแล้วนีตาหูจมูกร่างกายไม่มีจิตวิญญาณไปร่วมมันจะสัมผัสอะไรมันเกิดวิญญาณไม่มีสัมผัสเมื่อใดปับ๊บมีปภาษาทรูปมีโคจรรูปเมื่อไหร่สัมผัสกันปับ๊บมันถึงจะเป็นวิญญาณเกิดแล้วถึงจะมีธาตุรูปเกิดต้องั้นคนที่มีตาหูจมูกริางกายอยู่ที่ตัวเอง แล้วก็ทํางานมันจึงจะเกิดวิญญาณถ้าปิดตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันมีวิญญาณมีเพีการมีวิญญาณนะคุณก็ไม่รู้เรื่องอะไรแคบก็มีแต่สัญญามันไม่ใช่วิญญาณแท้จริงอยู่ข้างในเนี่ยแม้จะเรียกว่ามโนมัน ม, มยมณะมนายตนะธรรมายตนะอยู่ข้างในมันก็รู้ได้ด้วยสัญญามันก็เป็นสัญญามันไม่เป็นปัญญามันไม่เป็นตัวรู้ที่ครบพร้อม แค่สัญญาสัญญากับปัญญามันรู้ครบถันมากกับกันเยอะสัญญากับตัวเรียนรู้แล้วก็ถึงเกิดปัญญาถึงแม้จะไปเป็นความจํามันก็ไม่ใช่ปัญญาดึงออกมาตะลึกได้ก็ได้เลือดไม่ได้ก็ไม่ได้เป็นปัญญาปัญญาที่ไห น, นสรุปแล้ววิญญาณคือาธาตุรู้ที่จะต้อง เข้าใจความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในบริบทของปฏิสนุบาตเนี่ยให้ชัดไม่เช่นนั้นมันไม่ครบมันไม่บริบูรณ์ความรู้หรือพลธรรมที่จะมันสูงสุดจริงมันก็จะไม่เกิดจากวิญญาณมานามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณก็คือวิญญาณ น, นี่แหละจะรู้จักวิญญาณวิญญาณนี่เป็นนามมรรค เพราะฉะนั้นผู้ใดที่จะสามารถมีนามารูปก็คือสามารถเข้าใจได้ว่าอ๋อเราจะต้องพยายามอ่านวิญญาณให้เมื่อทำให้วิญญาณเกิดแล้วเราก็อ่านมันเลยในปัจจุบันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละวิญญาณอาการลิงคนิมิตอุเทศเป็นอย่างนี้เราก็จะรู้นามรูปได้ด้วยอาการลิงคนิมิตอุเทศตามที่ท่านตัดไว้ในปฏิบโเล่มสิบต น, นในพวกนี้ไม่มีนะ เริมสบข้อหกสิบจะรู้ได้นามรูปรู้ได้โดอาการนี้ม่อุเทศที่เรียกว่านามรูปก็คือนามมันถูกรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ตากระทบสิ่งข้างนอกก็ถูกรู้อจิตถูกรู้นั้นมันมาตัวถูกรู้ก็เป็นรูปหูกระทบเสียงเสียงเอเสียงมันอยู่ในอากาศมันร้องลอยมากระทบรู้เสียงก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ ก ล, ลิ่นกินก็มันไม่เป็นก้อนอย่างนี้มันก็ได้รับกลิ่นกระทบจมูกกลิ่นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ลิ้นรสตินลิ้นตะไปแตะเราไปก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้การสัมผัสกระทบ ก, กระแทกเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรก็ไอที่มันถูกรู้ได้นั่ น, ก น, กนเกว่ารู้ ยังเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไอ้ตัวคําว่าสิ่งที่ถูกรู้คือรูปเนี่ยอาตมาว่าสําคัญสําคัญลึกซึ้งถ้าเข้าใจไม่แม่นแล้วก็แย้งเลยว่าสอนไว้ที่ไหนกันรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ไม่เห็นปิกที่ไหนก็ว่าไว้สอนไว้อาตมาก็ไม่รู้นะว่ามีสอนไว้ที่ไหนหรือไม่มีไหมในปฏิปิฎก แต่มันก็มีนัยยะเนี่ยก็นี่มันเป็นฟักทองเนี่ยตาเราไปกระทบมันก็ถูกรู้มันก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันเป็นยังไงเราฟังต่อถูกรู้ก็รู้แล้วใช่ไหม ต, ตากระทบก็รู้ครับหูเสียงเสียงผมพูดไปนเนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกรู้ครับก็เป็นสิ่งที่รู้เป็นรูปไอ้ที่ตัวรู้คือนานามครั บ, ค, รบคุณรู้จะเสียงนี้แหละ ก็เสียงว่าเปนสิ่งที่ถูกรู้คุณมีนามคุณมีจิตอินทรีย์รู้ได้นั่นก็เป็นรูปทั้งหมดนะใบวัดตาหูจมูกนิ้วกายกระทบกันแล้วเราก็มารู้ได้ไอ้สิ่งที่มากระทบนั้นเรียกมันว่ารูปเพราะมันย่นย่อเข้าไปมีรูปกับนามเพราะฉะนั้นนามคือตัวรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้ก็แยกให้ฟังสองอย่างนี้ในโลกมีแต่สองอย่างนี้แหละในโลกทุกอย่างมีแต่รูปกับนาม ขาดรูป ก, กับน้ําแล้วไม่เป็นเพศ เ, เ, เป็นปัจจัยกันอะไรอะไรก็ไม่มีเช่นฟักทองไม่มีนามเพราะฉะ้นอะไรามันก็ไม่มีทุกมันก็มีสุขมันก็ไม่มีเรื่องบุญเรื่องวาไรก็ไม่มีมันเป็นฟักทองอย่างเดียวใครเอามันไปต้มไปยําไปแกงอะไรกแกงมันนักแล้วล่ะฟักทองนี่ตม้มมันนักยํามันนักแล้วลมันก็ไม่ร้องไม่ขวาวเลยมีหน้าที่เกิดอย่างเดียวแล้วก็ ถูกก็ายำ้ำถูกก็ทําให้สลายไปหรือมันสลายไปด้วยมันเองสลายไปกับธรรมชาติสลายกับอากาศธรรมชาติอะไรก็แล้วแต่มันไม่รู้ไม่ชี้วินี้ไม่เป็นด้วยไ <c oughs> ม่รู้จะยกตัวยอย่างไปที่กระดาษไหน <c oughs> อมีคนบอกว่าเอายืนยันว่าพระพุทธรูปว่าไม่ใช่รูปเป็นชนะัยท่านก็ตรัสว่ามหาพุทธรูปสี่ และรูปที่อาศัยมหาปูถรูปนี่คือรูปรูปมีสองอย่างท่้นก็ขยายไว้รูปคืออะไรรูปคือมหาปูถรูปสี่และรูปติดมหาปุถุที่อาศัยมหาปูถรูปสี่นี่แหละและต้องอาศัยกันจะเป็นรูปขึ้นมาได้มันต้องมีนาม แต่มันเป็นของมันนะมันเป็นรูปโดยตัวมันเองอ่ะเป็นรูปะรูปังมันจะไปรู้เรื่องอะไรเราเราแต่ไอพวกนี้มันเรียนไม่ได้หรือแม้เป็นคนแต่ไม่มียานปัญญารู้รูปรู้นามแยกรูปแยกนามไม่ได้คุณก็เรียนธรรมะไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องนะพอยานตัวแรกมันนามรูปะปัิเชยทยาน การโบราณอาจารย์ท่านถึงได้มารวมใบวันานามะรูปปัฏฐิเจตญาณ์นี่กำหนดได้มั่นหมาแยกได้ชัดเจนแต่คุณจําแนกไม่ถูกแยกไม่ถูกแยกกลู่ยแยกนามไม่ถูกไม่ต้องเรียนเราธรรมะพระพุทธเจ้าจริงๆไม่ต้องเรียนเลยไฟดับไปส่วนหนึ่งเนี่ยนะไม่รู้ว่าอะไรดับไอ้อร ก, การนี่มันดับหรือเปล่าไม่รู้ไอเรื่องไฟนี่ยังทํำยังไงฮะ อ๋อการไม่ดับไฟข้างนอกดับดีแล้วล่ะข้างในนี่ทำไฟให้มันเสถียรข้างนอกนี่ผีเขา้าผีออกก็อย่างเงี้ยดับเสมอแต่เงินค่าไฟสูงขึ้นด้วย็ตรงหนักมากก็เลยดับอ้าวเรื่องลูกดุ้นาอัตมา ก, ก็ขอย้ำย้ำว่าต้องเรียนรู้อย่างดีดีเลย พะแม่ที่สุดสรุปแล้วเนี่ยในโลกนี้ไม่มีอะไรมีแต่รูป ก, กับนามสำหรับคนที่จะศึกษาธรรมะประมัตตธรรมไปนิพพานนะแต่ตกคนไม่ศึกษากันแล้วไปเสอก็ปล่อยชีวิตยอยู่กับสุขๆุทุก ๆ, ก, ๆก็เติมกิเลส ไ, ไปเป็นปุถุชนปุถุชนนี่คือคนกิเลส ต, ตัโตขึ้นโตขึ้นอยู่ทุกวินาทีแปลอย่างโพธิรัก์ปุถุชนคือคนที่มีปุถุปุถุคือโตมากใหญ่อ้วนเยอะ ทวีขึ้ น, นเรื่อยๆนี่แหละคือปุถุแล้วอะไรทวีกิเลสไม่รู้จักกิเลสบลันเรอกิเลสคุณบำเลอเป็นคนความสุขคุณก็โตคุณไม่ได้คุณทุกข์คุณดิ้นรนพยายามจองเวียนคุณก็กิเลสโตอยู่อย่างนั้นแหละหือโมหะมมัวหลงผิดหลงถูกหลงอะไรเยอะๆเธอแน่นอนก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีกิเลสทั้งนั้นเพราะว่าปุถุชนนี่ไม่ได้ศึกษารธรรมะเนี่ยก็คือปุถุคนกิเลส จเจริญงอกงามไพ่บูรณ์โดยไม่ต้องแชทปุ๋ยไม่ต้องแชทปูยงอกงามอุทยชนเนี่ยเจริญงอกงามไพ่บูรณ์ไม่ต้องแชทปุ๋ยงงามเลยตลอดเวลายิ่งกว่าดอกเปี้ยครับโอ้ยยิ่งกว่าดอกเบียบโโ้ ย, ยรจริงจรครับเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติใช่น่ากลัวนะผู้ไม่รู้นี่ไม่กลัวหรอกแต่ผู้รู้แล้วโอ้โหน่ากลัวทึงจะเกิดภูพยัตูปท า, านนัน อาทีนวานุปัสสนอาธีนวานุปัสสนวาณุปัสนายานจะเกิดการปัญญาความฉลาดที่เห็นชัดเจนว่าโอ้มันเป็นภัยชีวิตชีวิตนี้มีภัยชีวิตนี้เป็นมีแต่โทษกับโทษเพราะมันเพิ่มกิเลสยุตุปินาทีโดยไม่รู้จริงๆลงลงสุขเป็นทุกข์นี่แหละไม่จะลงสุขเป็นทุกข์ลงทุกข์เป็นสุขลงทุกข์เป็นสุขสุขปลอกสุขคาลิกะแต่แท้จริงเป็นทุกข์ทุกแท้ โดยไม่รสั่งสมวนเวียนอยู่ในโลกนี้จริงๆหน้าเวทนาหน้าสงสารจริงๆอาตมาผู้ด้วยใจจริงเลยถึงทํางานอยู่ทุกวันนี้เหน็ดเหนื่อยยังไงก็พากเพียรช่วยกันเพราะาอาตมาถือว่าอาตมาต้องการอยู่กตาเวทีต่อธรรมะพระพุทธเจ้าอาตมาได้สบายได้ดีอะไรเนี้ยเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าและพระพุทธเจ้าท่านก็มาอยู่แล้วคนผปุยผูยยำธรรมะของพระพุทธเจ้าก็มากจริงๆด้วย เรามาดูได้ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องพยายามภาคเ พ, พยียรส่วนคนไม่รู้ก็ก็ว่าอาตมาหาว่ามากบฏมาทําลายาศาสนามาทําลายธรรมบู้าก็ว่าไปเขาก็แย้งมาอาตมาก็ตอบไปเพื่อที่จะให้เข า, เาคยคลายใจบ้างถ้าเขารู้ได้อาตมาว่าทุกวันนี้นี่มีคนเข้าใจได้ขึ้นะคลายใจได้ว่าเออแต่ก่อนก็ดูโพรดที่รัก อ่าเป็นเศษขยะจริงๆไม่ไดีเรื่องเลยราแต่พอไฟเออพอมีอะไรพอได้เหมือนกันนะค่อยๆรู้เรื่องขึ้นเยอะอยู่เหมือนกันตอนนี้มีคนให้ข่าวอยู่นัว่าผู้ทางศึกษาทางธรรมะแม้แต่ในกระแสหลักเทรสมาคผมก็ก็ติดตามดูอยู่ไม่ไม่ลดลดการเพ่งโทษดูถูกดูแกลงอาตมาตงไปบ้างอยู่กวางันอาตมาก็ไม่ได้เลืองอะไรหรอกนะ มันก็เป็นประโยชน์มันดีนะถ้าเพื่อว่าเข้าใจได้เขาใจไม่ได้กันมาก็ เ, าเห็นใจแต่เขาบอกได้อย่างหนึ่งว่าห้ามอาตมาไม่อยู่ห้ามไม่ให้เผยแผ่จนกว่าจะตายตายแล้วก็เกิดมาอีกนะเพราะอาตมาตั้งจิตโพธิสัตว์ตารแล้วก็ตั้งเกิดมาอีกมาเอาอีกแอไม่อยู่หรอกห้ามได้ห้ามไปห้ามมันต้องจำเป็นต้องอยู่ก็อยู่ไปห้ามได้เลี่ยง หาทางจนได้ไม่หยุดการเผยแพร่หรอกครับถ้าเป็นคนอื่นก็เนี่ยเจออุปสรรคขนาดพ่อครูเนี่ยผมว่าถ้ามีจิตทอนะครับหรือเบื่อเนี่ยคงจะแบบเซ็งไปเหมือนกันแหละครับใช่เพราะมันหนักหน้าสาหัสไายด้านครับเฉ <c oughs> พาะถ้าไอ้นั่นก็ไม่เท่าไหร่ลูกศิษย์เดียครับท <c oughs> ี่ผมรู้สึกนะลูกศิษย์ที่สอนยากเนี่ยผมว่ามันจะหนักกว่าอุปสรรคข้างนอกหรือเปล่านี่ความรู้สึกของตัวเองนะฮะ ข้างนอกดิคงไม่เท่าไร่แต่รู้ศิษยที่สอนอยากนี่มันจะโอ้โหใช่เพราะว่าคุณจบครูมาชัดเจนครับมันจะทุกขลังยิ่งกว่าคือภายนอกนี่มันไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วคุณจบครูมาคุณมีประสบการณ์แล้วก็มีอันนี้แน่นอนครับก็ใช่เพราะเมื่อเขมาเป็นครูน่ะมันเป็นครูก็เจอหน่ะไม่มีปัญหาอะไรเอาต่อจากวิญญาณ น, นามรูป อธิบายนามรูปแล้วว่ามันต้องเรียนรูปละเอียดเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะฉะนั้ผู้ที่สามารถรู้นามมารูปหรือแยกรูปแยกนามได้แล้วก็รู้ทั้งรูปประรูปและนามมาูปรู้จักรูปรรูปนามมาูปแยกได้ชัดคนนั้นก็พัฒนาปฏิบัติธรรมพอได้นามรูปก็คือรู้วิญญาณทีนี้วิญญาณจะเกิดต้องมีอายตนะมีผัสสะคำต่อไป จากนามรูปอะอ่วิญญาณนามรูปแล้วก็อายตนะอายตนะคือสะพานสะพานเชื่อมเมื่อเกิดมีผัสสะระหวังนามมาทำสิ่งที่เป็นนามจากต่างหูจมูกลินกายไปกระทบสัมผัสเป็นภาษาทรูปกับโคจรรูปหรือวิสัยยรูปวิสัยยารูปเข้าไปทำงานสัมผัสกันจึงจะเกิดวิญญาณ วิญญาณจะเกิดได้ต้องมีสัมผัสกันด้วยเหตุสองพการและเกิดอายตนะเป็นตัวเชื่อมอายตนะไม่มีที่ตั้งมันจะเกิดเมื่อมีสองอย่างนี้กระทบสัมผัสกันเรื่องสัมผัสมันก็หายไปอายตนะไม่ตั้งอยู่ไม่มีตัวตนไม่จริงไม่อยู่อะไรแม้แต่ในความจําก็มีอายตนะในสัญญาก็มีอายตนะ ในเส้นยาก็ ม, มีอะไรจะอิจฉนะมันต้องเกิดคู่ขึ้นมาแล้วก็ทําแม้ที่สุดข้างนอกตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเกิดเมื่อมีสองอย่างสัมผัสก็อิจฉนะห้าส่วนใจนั้นก็มีอิจฉานะเมื่อมันทํางานร่วมรู้กันเป็นธรรมารมณ์ไม่ต้องผัริศมันอยู่ด้วยกันเคยอธิบายแยกชัดมากนุ ก, กิจีแล้วมันต้องเสียเวลาที่ไห น, นเมื่อไรได้ทั้งนั้นไม่ต้องหาอาศัย ขณะเวลามันต้องอาศัยเหตปัจจัยอะไรปรุงร่วมกันได้เมื่ อ, อไรก็เมื่อนั้นนิยตระนาจเกิดขึ้นได้ทันทีธรรมารมเพราะนินยตระนาคือตัวเชื่อมเท่านั้นแตะที่พิเศษก็คือมันไม่มีที่ตั้มันไม่อยู่มันไม่เป็นอะไรมันทํางานให้สองอย่างนี้พอมีปัสสาวก็เกิดวิญญาณในตัวที่สาเพราะงั้นวิญญาณจะเกิดได้มันเหมือนสื่อ้ไหมสื่อสื่อมัน<ด>เชื่อมมันไม่ใช่สื่อ เชื่อมกันตากระลูปมันสื่อกันนะแต่่มหูก็เชื่อมมาสื่อกันมันก็ไม่ได้จํามันนั้นไว้ไม่เลยครับมันก็จําแต่รูปที่เห็นเฉยไม่มันจําด้วยครับไม่จำมายาไม่เกี่ยวมันไม่ใช่สัญญาณไม่จำมายาอะไรอะไรกันนะครับมันทํางานให้เท่นั้นเนี่ยมันรับใช้อย่างเดียวมันรับใช้อย่างเดียวครับอตัวนี้พิเศษหน่อยแต่เอาเธอะถึงแม้ว่าไม่เข้าใจน่าก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ว่าพยายามรู้เอาไว้ไม่ยังไงมันจะไปกวน ไปกวนไปทำให้อันอื่นมันเขวได้จากอายตนะต้องมีผัรษาผัรษานี้สำคัญต้องมีผัรษาเสมอปฏิบัติทำเพราะฉะนั้นผู้ที่เรียนรู้ธรรมะทุกวันนี้มันเพี้ยนเสื่อมกลอนไปจนกระทังไปนั่งหลับตาเหมือนฤาษีสมัยโบราณแต่ไหนแต่ไหนมาเขาก็ทำอย่างนั้นนั่งสมาธิหลับตาแต่สมาธิพระพุทเจ้านั้นลืมตา มีวิญญาณหกัฏสหกเวทนาหกตัณหาหกอะไรหกหกหกที่จะเดี๋ยวจะถึงแน่นาคตตอนนี้ยังไม่อ่านถึงใจพิพังแล้วก็เดียวก็ถึงนะสรุปแล้วภัสะต้องมีถึงจะได้ปฏิบัติทาได้ในปฏิสนุบัตไม่มีปัสะไม่ครบปฏิบัติทาไม่บริบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะ แม้เป็นพระอ ami, านาคามีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสท่านไม่ต้องทุ to to ทกข์ท่านไม่ต người, ้องลาบากท่านตัดกิเลสได้แล้วจริงอนาคามีจริงสมบูรณ์จริงเต็มเต็มขั้นอนาคามีเต็มขั้นท่านก็ต้องมีภัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วก็จะรู้รูปราคะรูปราคะมานาอุตจักที่มันเกิดกิเลสจากภัสสะนั่นเองแล้วก็ล้างกิเลสตัวนั้นตัวจริงตัวสด ไม่ใช่ว่าไปนั่งหลับตาแล้วก็เกิดสัญญาไม่ใช่ไม่ใช่ค้องสดไม่ใช่ค้องส ด, งสดรูปราคารูปราคามานะ่าอะไรไม่ใช่ข้องสดของแห้งของแห้งก็ได้ถ้าคุณจะทำแต่มันยากแต่สดนี่มาทันทีนอกจากทันทีแล้วจริงเลยคุณลดได้จริงเดี๋ยวนี้จริงเลยแต่สัญญาไปทานันไม่จริงนะคุณอาจจะทำได้เป็นไงงี้แม้ทาเป็นไม่มันลดมันละแต่ไม่จริงหรอก แต่นี้มันจะจริงแล้วมันจะพิสูจน์เลยลืมตาสัมผัสมันจะพิสูจน์เลยที่อาตมาอธิบายเสริมตอนเมื่อกี้ก็เพราะว่าแม้จิตอนาคามีก็ต้องมีผัสสะเพราะงั้นรูปราคะรูปประพบ ร, ะรู ป, ปรพบก็ต้องลืมตาใช้ผัสสะหรูปประพบอรูปรประพบก็ลืมตาสัมผัสแล้วก็จะเกิดกิเลสในภาวะตัณหาของรูปประพบ ร, รู ป, ปรพบไม่ใช่ละพอ ข้างนอกจบแล้วนั่งหลับตาปฏิบัติไม่ใช่ลืมตาปฏิบัติเป็นปกตินี่เองมือมกแปดถึงต้องตองสัมผัสมือหมกแปดด้วยกายกายคือองค์รวมทั้งหมดเลยตาหูจมูกนี่กายครบหกเมื่อใดเมื่อใดก็ครบหกกายกายนอกจากจะอธิบายตามกำหนดเท่านั้นเองยังอนาคามีบนข้างนอกได้แล้วเอาละไว้นะก็ข้างในนา ม, มากาย หรือสูงรูปประกอบกหมดแล้วหรื อ, อรู ป, ปก็ยิ่งหรือเป็นนาม ก, กายคุณก็ต้องนี่เป็นการอธิบายเท่านั้นแต่ก็เกิดไม่ได้ขาดกันกระตาหูจมูกลิ้นกายพูดถึงนาม ก, กายตามที่กำหนดอธิบายกันเท่านั้นเองแต่มันมีต้องมีครบต้องมีครบจากผัสสะก็จะเกิดเวทนา ที่นี้เป็นปัจจัยคู่ใดก็แล้วแต่อวิชชากับกสังขารสังขารเป็นปัจจัยของอวิชชาอวิชชาเป็นปัจจัยของสังขารสังขารกับวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยของสังขารสังขารสังขารเป็นปัจจัยของวิญญาณวิญญาณกับนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยของนามรูปรูปนามรูปเป็นปัจจัยของวิญญาณเป็นปัจจัยแก่กันและกันทั้งนั้นแหละนามรูปอายตนะอายตนะกับนามรูปผ uh> ัสสะก็เหมือนกันเป็นปัจจัยเกื้ออย่างนี้ไปตลอดหมดเลย เพระเมืาา่อเปัสสาวก็เป็นปจัจจัยวิเวทนาเวทนาเป็นปจัจจัยปัสสาวะเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกถ้าอาวิชามันก็เป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์พลุบเป็นปุถุชนหมดปรุงแต่งโดยไม่รู้เรื่องไม่ได้เรียนรู้มันปรุงเป็นอะไรก็เป็นอัไรนั้นแหะสังขารพลุบเป็นสุขเป็นทุกข์เสร็จแล้วจะสุขหรือทุกข์นั้นก็ตามอำนาจกิเลสถ้าสุขก็สงบหน่อยถ้าทุกข์ก็ไม่ค่อยสงบและ แต่สุขก็สงบหน่แต่สุขไปสุขหลอกนี่แหละมันตัวร้ายรายที่มันมันดูสงบสุขแป๊บเดียวอแป๊บเดียวแล้วมันสงบแล้วคนก็พยายามที่จะสร้างความสุขเพื่อที่จะให้สงบต้องลดความสุขลดความทุกข์ถึงจะสงบดียิง่งอันนี้เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง เวทนาคืออาการของอารมณ์หรืออาการของความรู้สึกต้องอาให้ได้สําคัญมากเวทนาเพราะท่านจะแจกเวทนาไปถึงร้อยแปดซึ่งในร้อยแปดนี่ก็เกิดจากเวทนาหกนี่แหละเกิดทางตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้น ก, กระท บ, ะ ท, บทั้งหมดหกนี่แหละเวทนาหกนี่แหละ เอาไว้ก็ต่อละเอียดเวทนาหกเริ่มต้นตั้งแต่วิญญาณมาก็ต้องหกอยายตนะก็ต้องหกนา ม, มารูปไม่ต้องไปพูดถึงว่ามันไม่ต้องไปไล่หกนามรูปกระทบเท่าไรเท่านั้นอายตนะก็หกผัสสะก็หกเวทนาก็ห ก, ก 6. ต่อจากเวทนาคือตันหาก็หก นี่อาตมาอธิบายลำหน้าไปจากแตกพิพังนั้นเนี่ยเป็นนาคือความรู้สึกหรืออารมณ์ตัณหาคือตอมทยานอยากกิเลสตัณหาที่จริงตัณหาน่แยกเป็นสองกองง่ายๆกองหนึ่งก็รู้กันทั่วไปว่ามันมีตัณหาสามอีกกองหนึ่งคือตัณหาหกไอสามเนี่ยนมาเกิดในหกไอสามกับหกนี่แหละ คือมโนปวิจารณ์เวทนาสามกับเวทนาหเป็นสิบแปคือมโนปวิจาราาาณราร์ตัวสําคัญเพราะเรียนรู้ธรรมะของพระเจ้ามารู้จัวเวทนาในเวทนาแล้ววิจาาวัยเวทนาหาตัณหาในเวทนาไม่ได้เพราะเวทนากับตัณหามันเป็นปัจจัยกันดับตัณหาเสียได้เวทนาก็ถือว่าเวทนาไม่มี เวทนาเฉยๆดับตนาที่ได้ก็เป็นเวทนาเฉยๆไม่สูงไม่ถูกเวทนาตัวเดียวถ้าดับกันหาไม่ได้ก็มีเวทนาสามถ้าดับตันหาได้ก็มีเวทนาเดียวเธอทุกข์ขมสุขหรืออุบเบกขาเวทนาเดียวพระอรหันต์มีเวทนาเดียว อธิบายจะงไปนิดหน่อยแล้วมีสามมีหเป็นมโนปวิจารณ์ด้ว่าไปนิทานมันมีสามตัณหาทีนี้ตัณหาก็หกที่พูดไปแล้วต้องเกิดจากอ่านของจริงแล้วมันกระทบทางตาก็เกิดตัณหากระทบทางหูจมูกริ้นกายก็เกิดตัณหาถ้าคุณล้างตัณหาที่มันเกิดจากตาได้หูจมูกริ้นกายห้าทวานี้เป็นกามาพบได้หมดคุณก็เป็นอนาคามีแต่เป็นอนาคามีแล้วคุณก็กระทบทางตาหูจมูกริ้นกายได้นะ แต่มันเวทนาเอกอุเบกขาแล้วตาของตาหูจมูกทิ้งกายก็เหลือแต่ในใจของคุณธาตเดียวพระอนาคามีแต่ก็กระทบทางตาหูจมูกทิ้งกายนี่แหละมันก็จะเกิดจิเลสนั้นซึ่งมันไม่ออกมาเพ่นผ่านไม่ออกมาเรื่องของข้างนอกแล้วไม่ออกมาข้างนอกแล้วมันก็อยู่ตัวข้างในของคุณเท่านั้นอ จากตัณหาไปอุปทานก็ไม่ไม่ใช่อุปทานหกอุปทานนี้ท่านแยกเป็นสี่การมาุปาทานที่ตุปปาทานศีรัพุ้ตุปาทานและอัตวาทุปาทานวันตอนแจกวิพังเขาอธิบายก็คือการติดยึดยึดกามเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ยึดทิฏฐิเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ ยุดสิครดเป็นสุ่เป็นทุกข์อยู่หรือยึดวาทะคาพูดตักกะเท่านั้นเอาเป็นอัตตาจะไม่รู้เป็นอัตตาคืออะไรมันอย่างคุณแปดเจสุนนั่นนะพูดไปเถิดตัวเองแสดงอัตตาออกมาบึ้มบึมบึมแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นบอกไปก็ไม่รู้เรื่องแล้วแล้มาโยนมาให้ให้ใหอัตมาช่วยด้วยนะอัตมา แต่เขาไม่มีมันมันน่าสงสารจริงๆคนเรานี่นกเขาทวงตาแแมาภาษาอีสานถ้าภาษาภาคกลางเขาบอกไอ้ลูกปูมันทักแม่ปูอุ้ยแม่ทําไมมันเดินเป๋ไปเป๋มาละแม่ถ้าภาคกลางเขาลูกปูทักแม่ปูไอ้ลู ก, กมันก็เดินมานงก็แม่ อีสานเขาคาบังเพยของเขามันดกเข้าท่วงตาแม่เฮ้ยแม่ทําไมหูตาโตจังเลยไอลูกมันก็ไอพันเดียวกันตาโตเหมือนกันมันไม่เห็นตามันเองครับไอปูน่ะมันเห็นเดินนะเดินไปไปเปมาแต่ไอนกเข้าแมวนี่หนักกว่าปูอยูมันไม่เห็นตามันเองมันไปดันเห็นตาแม่อย่างเดียวว่ามันตาโตแล้วตามันเองมันก็โตแล้วมันไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นคำบังเพยของอีสานนี่ซึ้งกว่าลึก เพราะว่าตามมนไม่มีร่องรอยเอแต่ปูมีร่องรอยเอเห็นเลยมันเดินไปมันก็ยังพอรู้ตัวออแต่ตุ๊กเขาแมวนี่ไมืดเลยเพราะมันไม่รู้ตัวเลยตามันโตเหมือนกับแม่แล้วมันไม่รู้วตามว่โตมันไม่เห็นตามันมันไปเห็นแต่ตาแม่เพื่อกับบางคยเขาอีสานนี่ลึกกว่าครับ๊กเขาทวงตาแม่อแต่คนที่อัตวัตุปาร์ธาจะผมสั้างข้อสังเกตอย่างนึง คือเขาจะบอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้ทําสิ่งที่ที่เขาทําอืมแต่ว่าเขาบอกวาหาหลักฐานมาเนี่ยเราก็บอกว่าเอาไอ้ที่หลักฐานนั่นคือสิ่งที่คุณพูดมาแล้วแหละแต่เขากลับไม่รู้ตัวเองเนี่ยมันก็เลยเอองงว่าเอ๊ะทําไมไม่รู้อะไรเงี้ยมันอมิชายมันมันหน้ามันหน้าเห็นใจเนี่ยมันไม่รู้จริงครับมันอะไรวะมันรู้เรื่องก็มันไม่รู้อ่ะมันไม่เข้าใจถ้ามันรู้มันก็อา ก็ค่อยชั่วสิถ้ารู้แล้วรู้ว่ามีอัตาก็ล้างอัตานี่ไม่รู้ว่ามีอัตาแล้วมันจะได้ล้างอัตาเมื่อไหร่นี่หน้าของท่านตรงเ น, นี้นั่นแหละครับผมก็เลยอ้าวใกล้ที่แสดงมาที่เป็นหลักฐานเนี่ย<อ>ที่ทำอยู่เนี่ยก็เห็นอยู่ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเรื่อว่าปัญญามันไม่มีแปลไปไทยว่างงครับปัญญามันยังไม่เกิดมันยังไม่รู้เนี่ยจากอจากไหนแล้วล่ะจากปัญหา อุปทานหมทานนะหมด อ, อุปทานสี่ละกามก็คือกามตามหุ่นจมงกรินกายทิฏฐิก็คือความรู้ทฤษฎีตรกกะอะไรก็แล้วแต่ทิฏฐิส่วนสิญธรสก็คือข้อปฏิบัติหลักปฏิบัติวิธีปฏิบั ต, บติอาจารย์สอนอะไรอะได้ไว้นั่นแหละสิญพรสจารีตประเพณีก็คือสิญพรสเหมือนกันทําตามนี้ไม่รู้เรื่องการทำแบบนี้เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นวิธีตามไปปัญจารี่เป็นประเพณีเป็นทําตามกันไป อ่าทำบุญก็ทำบุญเพื่ออะไรทำบุญใส่บาตใส่บาก็ใส่ไปเดินย่างนอกรย่างไปอ่อะไรไปเงี้ยอ่าตาบจารีเพณีแต่ไม่ค่อยเข้าใจลึกซึ้งไปว่าละแล้วทำเพื่ออะไรแล้วพออย่างหรือว่าทำไปแล้วอะไรสาระไม่รู้เรื่องเลยก็เป็นไปเรื่อยเถ อ, อะนะแล้วเราปฏิบัติกับชาวโสดเนี่ยครับเราก็ตั้งเกณฑ์เราว่าอย่ า, างนี้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้ได้เนี่ยโดยที่เราก็ไม่อันนเบื้องต้นท่านบกว่ากลางมันปลายอ๋ออ่า เราตอนนี้อโศก น, นี่มันเก่งแต่ก่อนนี่คือสารวมนะเดินชาเดินสํารวมหรืออะไรนะรมัตตวังตางหูจมูกนี่การสัมผัสเดี๋ยวนี้ไม่เลยมาใหม่ก็ช่าง บ, บุบปั๊บปุ๊บปั๊บจุ่มจำจุมจ่มจำไม่มีเบื้องต้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าพวก เ, เราจะสอนกันให้มีเบื้องต้นเราจะทําบางอย่างบ้างใครจะสังวรสํารวมเบื้องต้นไปบ้างอ่อาอาตมาก็เลยพยายามบอกทางผู้พาฟาน้ําให้เอาไวนะัยนาะมีการ นะชาน้ยให้มีเบื้องต้นป้ายทำอะไรอะไรนะ่ะก็ดูดีดูสวยอยู่แต่ก็ก็เรื่อือไปเยอะเหมือนกันนะ่ะแต่ก่อนนี้มีโมทุกสมทุกชุมชนโอเข้ามานี่เห็นทันทีเลยนะชาวโสงนี่เด็กเล็กผู้ใหญ่คนแกน่เดินรูมอะไรอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้สำลิงไม่ใช <c oughs> ่สำรวมคือแต่ก่อนีนี้สำลิงกันไปหมดแล้วปฏิบัติธรรมชาวสวัยใหม่ที่กลับบ้า น, นั้นต้องสารวมนะเออใช่ พอจะไปกับเดินทางกับบ้านผมยังต้องสำรวมนะอะดีครับคือมันเป็นคือมันเป็นอัตโนมัติของตอนนั้นนะครับเพราะงั้นอยากจะให้พยายามพวกเราสำนึกแล้วก็ทำบ้างมันไม่ใช่เรื่องน่าอายหรอกใครทำได้ทำนะพยายามแล้วมันก็จะได้ประโยชน์นะอา้าวต่อจากทิฏฐิอุท ป, ปทานแล้วก็ไปพบ ไม่หมดแล้วที่ตุประทานที่เสือ พ, พูธพานพูดหมดแล้วอั ต, าตาามาทุ ป, ประทานาการกรามุมปาทานแบบก็พบเรื่องพบเนี่นะก็มีสามพบในกาสมาพบรูปพบอรูปพบแล้วท่านขยายจากกาสมาพบมาอีกตัวหนึ่งว่าเป็นอบายพบหรืออบายภูมิคือมันกาลนี่แหละมันตำ่ำมันขั้นต่ําก็เลยแยกมาให้เป็นเมืองต้นจริงๆ พจริงๆก็มีสามพบแต่พบอบายในมันคือตัวตัวเบื้องต้นของใครของมันะทางกลามเนี่ยกุก็เลือกเอามันอยากเพิ่มาเรานะมันตัวที่จะต้องเรียนรู้ใช้มาเป็นตัวสําคัญที่จะเรียนรู้อันนี้แหละเราไปกิเลสเราเป็นติดของเรามันต่ําจึงเรียกว่าอบายมันต้นมันตื้นมันง่ายหรือว่ามันหนักหนาสาหัสอะไรก็ได้ มันอาจจะไม่ง่ายแต่ว่ามันหมาตัวสําคัญของเราเขาก็กําหนดเอาของแข็งของมันไม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นที่ที่มันยังเป็นอยู่เรียกว่าแดนเกิดหรือภาวะหรือพบเนี่ยสัมภวะที่ตรงนั้นจิตของเราตรงไหนมันมันก็จะต้องเกิดการเกิดบําเรอการอยู่ตรงนั้นแหละสุขทุกข์อยู่ตรงนั้นแห ล, ละนรกก็อยู่ตรงนั้นสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นกิเลสก็อยู่ตรงนั้น เพราะฉะนั้นร่างกิเลสอยู่ตรงนั้นแหละตรงไหนหัตถียารูปไม่ใช่ที่หัวใจสี่ห้องเราห้องที่สี่อะไรไม่ใช่นะมันอยู่ตรงไห น, นมันก็ตรงนั้นแหล ะ, ะเพราะฉะนั้นถ้าสามารถเรารู้จักสัมผัสแล้วเกิดมันเกิดเมื่อใดที่ตรงไห น, นก็รู้ตรงนั้นสัมภวะแดนเกิดแหลกกด ทำตรงนี้มณสิการตรงสัมภะตรงนี้จัดการตรงนี้ให้แม่นแม่นที่ท่านต้องกำหนดพระพุทธเจ้าต้องกำหนดยืนยันให้ชัดๆอย่างนี้เพราะว่ามันดันไปกำหนดทำใจระ้วียใจไม่มีที่ตั้งไม่มีที่หัทยรูปนี้มันดันไปล่องลอยอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แล้วไปอยู่กับคนนั้นคนนี้ไปอยู่โน่นรูที่นี่เห็นก้อนทุกเดินไปหมดโอ้โห ก้อนทุกข์อยู่ที่ตัวเองเนี่ยดูตรงนี้ไปดูอะไรของเขาไปวุ่นอะไรของเขาเอาละไปก้อนทุกข์ก็อย่างมีสตินะั้นลอยไปเลยนนะ่ะไปไหนก็ไม่รู้แล้วจะไปจับได้ที่ไหนเอามาเรียนก็จะเรียนไปทําไมครับก็มไม่รู้เขาก็จะเรียนไปทําไมก็ไม่รู้นนเพราะว่าเราเรียนเพื่อตัวการตัวเองพ้นทุกข์ใช่ไหมใช่ <c oughs> ก็ต้องรู้ทุกข์ของตัวเองมาให้มันทายารูปมันตั้งอยู่ที่ไหนที่เกิดกระทบสัมผัสแล้วมันก็เกิด <c oughs> จับไม่ได้ได ตรงนั้นแหละจัดการตรงนั้นเลยว่ามณสิกการหรือมณสิกโรติทําตรงใจตรงนั้นนหะที่มันตั้งตรงนั้นนหะมันอยู่ในนี้แหละที่จริงมันไม่ไปไหนหรอกหรือมันอาจจะทําเป็นภาษาว่ามันอยู่ข้างนอกไปกระทบสัมผัสกระทบไกลหน่อยก็อยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ไม่รู้แต่ที่จริงกระทบสัมผัสมันจะไม่ไกลเท่าไหร่ถ้ากระทบสัมผัสมันก็จะไม่ไกลเท่าไหร่ใช่ไหมันก็จะเห็นหลัด เมื่อรู้จากสถานภาวะหรือพบแหล่งมันไม่มีสภาพรูปร่างที่อยู่มันไม่เกี่ยวกับดินน้ำไฟลมมันไม่อยู่กับพิกัดทถานั้นเส้นรุ้งเส้นแวงอยู่ในอวกาศส่วนนั้นไม่ใช่แม้แต่ในร่างกายเราก็จะกำหนดไม่ได้แลวมันอยู่ที่ตรงไหนอยู่ที่หัวอยู่ที่หน้าอกอยู่ที่ปลายเท้า อยู่ที่มือที่แขนมันไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้อยู่กำหนดอยู่ตรงไหนเลยตรงที่รู้สึกตรงที่ทาธาตุรู้อยู่นั่นแหละวิญญาณมันอยู่ตรงไหนรู้ตรงนั้นรู้สึกตรงนั้นจากวิญญาณมาเป็นเวทนานี่ก็ตรงนั้นแหละจับไม่ได้ให้รู้ตรงนั้นและทำตรงนั้นวณนสิ ก, การลงไปถึงพบลงไปถึงที่เกิดโยนิโส ลงไปถึงที่เกิดก็หมายความว่าไอ้ตรงใจของเรานเนี่ยตรงที่ตั้งตรงที่ว่ามันเป็นพบอันนั้นแล้วเช่นมันกระทบสัมผัสตาหมวิจารวิการเป็นกามมาพบอ้าวนั่นแหละมันเปิดอาการอย่างนั้นตรงนั้นแหละลงไปให้มถึงตรงที่มันเกิดเลยเกิดตรงกระจนกระทั่งรู้ว่าโอ้นี่กิเลสกามันก็เกิดตรงนี้กําจัดมันตรงนี้ ให้มันแมนมนมให้มันถูกๆการถึงใช้คําภาษาแปลโยนีโสว่าลงมาถึงที่เกิดเลยมณสิกานแล้วก็จับมณฑสิกานทาใจมันตรงที่ตรงไปถึงที่เกิดตอนนั้นเกิดทําให้มันตายกิเลสทําอะไรให้มันตายก็อตัวที่มันจะทําให้มันตายอย่าไปทํามั่วๆทำํำจนกระทั่งเลอะไปหมดเลยดับทั้งจิตไปหมดเลยอย่างนั่งสะกดจิตทําสมาธิเนี่ยมันไม่ได้รู้ว่าจะดับตัวนั้น ตัวที่มันเป็นตัวเกิดตัวที่ทําลายอคติสารจิตเขาไม่ได้รู้จักอคุิสรจิตนั่งสมาธิแบบข้างในจิตเนี่ยเขาไมไ่รู้จักเรียนรู้อย่าง ก, กระทบสัมผัสแล้วมันเกิดตรงไหนเกิดตรงนั้นและอ่านตรงนั้นเกิดปัจจุบันมันคืออันนั้นคือสภาวะที่เกิดชาติต่อไปเลยจากภพเราก็เป็นชาติมันก็จะเกิดเกิดอะไรเกิดกิเลสเกิดอารมณ์เกิดสัตว์จากเป็นอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์มสุขก็เทวดาอารมณ์ทุกข์ก็ สัตว์นรกเป็ัตวอปปาติกะสัตว์นรกสัตว์ชาติสัตว์อะไรแต่ไรนี่คือชาตินเพราะคําว่าชาติท่านเดี๋ยวค่อยแตะวีแจวิพังตอนนี้ยังไม่แจกวีพังก็อธิบายพรุนี้ก่อนชาติทวนชาติคือการเกิดของจิตการเกิดของร่างกายก็รู้ไปเถอะมันไม่ยากะ พอจะแตกการเกิดเป็นสี่ชาติหนึ่งฉลาพุชะโยนิโยนิก็แปลว่าการเกิดการเกิดของจิตลักษณะฉลาพุชะถ้าชาติคำเดียวชาตินี่มันเกิดทั่วไปหมดเลยรวมการเกิดทุกอย่างชาติปิการเกิดใดๆ ชาติปิตุขขาการเกิดใดๆทุกสิ่งชาติปิตุกขาชาติทุกอย่างส่วนโยนี้นี่คือลักษณะลักษณะของการเกิดอันนี้เหตุปัจจัยการเกิดอย่างนี้เรียกว่าชลาพุชชะลาพุชปแปลว่าน้ำเกิดในน้ำคร่าสัตว์ที่มีมดลูกจะมีน้ำคร่าเลียงน้ำเลี้ยงเลี้ยงสัตว์ที่เกิดในมดลูกมดลูกมีน้ำเลี้ยง พวกเรานี่ยเป็นสัตว์น้ํำนะเกิดมาเป็นสัตว์น้ำคลอดออกมาแล้วทําทีไม่ไม่รู้จักน้าเพราะงั้นเด็กคลอดออกมาเนี่ยเขาถึงบองว่ายน้ําได้เลยเพราะมันเพิ่งจะออกมาจากน้ํามันอยู่แล้วไม่กลัวทําลักน้ําหรอกพัพึ่งต่อเนื่องแต่วมื่อน้อยนึกลืมละเอาลงน้ําสหลักตายตกน้ําตายเลยแต่ถ้าพลอดในน้ําให้เลยไหว่้น้ําเป็นเลยอยู่ในน้ำเลยแล้วก็จะอยู่น้าได้เลย พราการคลอดในน้ำเนี่เด็กพวกนี้ยังไม่ต้องหัดว่ายน้ํามันจะอยู่ข้าน้ําได้เลยเคยเห็นพวกชาวเขาที่ในหนังอะเข้าข้อในน้ําพวกไอตะวันตกเขาก็ทําวิชานอยู่แล้วเขากข็าาในน้ําเด็กก็อยู่ในน้ําเลยเอยู่ในน้ําเลยครับเองก็เด็กเข้าไปไต่น้ําเลยกัไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเพราะว่าเด็กมันอยู่ในมดลูกเนี่ยมันอยู่ในน้ําอยู่แล้วครับแต่แต่ว่าเราเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับเออมันจะรู้ มันจะเข้าใจมันจะอะไรเขาเขาเขาก็มีกันอยู่เอาละมันจะยาวมันอะไรจ ะ, ะไรออกนอกเรื่องไปอันตระยโยนิอันทะาแปลว่าลูกนะแปลว่าไข่นะเอามาเป็นไข่ก่อนนกกดนะีสัตว์หลายชนิดนะชัดสี่ขาสองขาสี่ขาหกขาแปดขาอะไรก็แล้วแต่แม่แต่เป็นไข่ งูเงอือะไกงูนี่มีทั้งออกเป็นตัวก็มีนะเป็นงูก็มีหลายอย่างหลายพันมันออกมาไข่ก่อนแล้วก็มาเกิดแล้ว่าสองบางทีเขาเรียกวิชาติชาติที่เกิดสองครั้งไป็ไข่ก่อนแล้วก็เป็นตัวอีกทีนะนี่เป็นการเกิดลักษณะท่านก็แบ่งไว้เป็นชีววิทยาของแบกท่านอนะ่ะสังเสริชานั่นคือพวกแตกตัวเลยท่นนี้แตกตัวเอา้าอยู่ในตัวเองแตกตัวกันไป ออกมาจากแบกทีย i ต่างๆ ต, ตัวเล็กตัวน้อยเป็นเซลล์เป็นอะไรต่างๆพวกนี้ก็ละเอียดส่วนโอปปาติกะโย น, นี้น่คือจิตบิญญาณอันนี้แหละเป็นเรื่องสำคัญสามอันนั้นนะรู้ไว้เท่านั้นเองว่ามันมีในโลกพอเทียบเคียงแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมากใส่ใจการเกิดทางจิตบิญญาโอปปา โอปปัติกะเป็นสัตว์สัตว์ทางโอปปปัติกะสัตว์ทางสิทธิอปปปัติกะแปลว่ามันเกิดโดยการอุบัติโอปปปัติกะก็มาจากรากศัพท์อุบัตินั่นแหละอุบัติขึ้นมาซึ่งเป็นนามมัธรรมไม่มีสภาวะมหาโูธรูปไม่มีดินน้ำไฟลม มันมีการเกิดการตายตัวนี้มันมีชีวะเป็นชีวะระดับจิตนิยามชีวะระดับจิตนิยามโ อ, โอ้สำคัญสำคัญตัวนี้โอปปัตติกะโยนนะิจะได้อธิบายกันอย่างสำคัญเลยทีเดียวค่อยๆฟังไปนี่การเกิดสี่อย่างที่ ขยายความเพิ่มเติมก็จะธรรมชาติอัะทีนี้มารวมท่านกลัดไปในข้อที่หนึ่งเทศนาสูตรเนี่ยสูตรที่หนึ่งเนี่ยท่านก็บอกแต่แค่เท่านั้นแหละอวิชามายันจากชาติถ้ามีชาติเกิดเมื่อไรยิ่งเป็นรูปธรรมจะเห็นชารามรณะชัดทุกอย่างเกิดขึ้นต้องเสื่อมชราแล้วก็ต้องดับตาย สูญไปแต่วัตถุมันศูญไปแล้วมันจะจับตัวมันอีกนานหลายอย่างมันไม่ค่อยมาจับตัวกันง่ายแต่นามธรรมนี่มันโอ้โหแตกตีแตกให้มันไม่จับกันให้มันสลายยากไม่แตกตัวง่ายเลยออินญาณนี่จิตอินญาอย่างเนียวตันหาท่นเแปลว่ายางเนียวเหอนเนียว เหนียวยิ่ยงกว่าอีพอกซี่เอากาช้างเนะี่ยทิ้งวิธีหลังเลยเหนียวยิ่ยงกว่าอีพอกซี่แหมติดอีพอกซี่เขาบอกว่าติดเหล็กแล้วเหล็กเนะี่ยพอติดแล้วนี่นะมันแห้งดีแล้วนี่นะถ้าหาักมันหักที่อื่นไม่หักที่ตรงติดนะ <c oughs> อันนี้จะแข็งกว่าอีพอกซี่อีก ไอหักที่นั่นไม่หักแล้วที่อื่นมันไปช่วยปีปีพลังงานไปช่วยที่อื่นไมห่หักอีกด้วยเก <c oughs> ่งกับอีพอกซี่ชรามรณะตายต้องเรียนรู้การเกิดการตายของทางร่างกายเหมนเรื่องไม่ยิ่งไม่ใหญ่แต่ชรามรณะของกิเกลสชราชรตาความเสื่อมมรณะความดับ ไปหมุนเวียนมรณะไม่ใช่ของตายจริงมรณะมะันี่ยังมีมักนี่คือตัวอัตตามะมะอัตตาเลยมักนี่อัตตามมยังอันเป็นเรามะมะเป็นตัวเราที่อาหัางการขึ้นมาแล้วแต่ท้าอะเนี่ยไม่มีอารณะ มราณะแปว่าสงครามถ้ามราณะยังมีสงครามทางจิตมราณะาตายก็ยังสเปนสงครามยังไม่จบถ้าอราณะคือดับมะไปได้เลยนะดับมรไปได้เลยจากชรามราณะแล้ว ต่อจากนั้นเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลยที่ไม่รู้โศกปริเทวทุกขะโธมนาอุปายาตุปยาสะอาการที่ทุกข์ก็ไม่นเจตุโศกก็คือเศร้าโศกเสยียใจปริเทวะพรีผิรัย ไ, ไม่รู้จักจบเงาเ ง, า, งาไม่รู้จักแล้วไม่จบเสร็จส่วนโศกอะไรก็มันก็นั่นแหละโศกเศาสปริ โศกเศร้าอาดูนอะไรก็้งสิ้นไปทุกนี่รวมไปหมดทั้งอะไรต่างๆนานาสารพัดจะทุกจะหนักจะร้อนจะร้นจะอะไรก็แล้วแต่ปลายารพัตโทมนาข้างในอุปายาสะเศษเหลืออุปายาสะก็เศษเหลือซึยังมีเศษทุกข์อีกเท่าไหร่ก็แล้วแต่เดือน้อยเท่าไหร่ก็อุปายาสะน้อยเท่านั้นก็ต้องเรียนรู้พวกนี้เป็นหมดสิ้น ขยายความในวิให้มันพิสดารในโอกาสต่อไปที่นี้ก็ทั้งหมดนี้ถ้าเรียนถ้ายังไม่เรียนก็แน่นอนอวิชาเต็มเป้าอาวิชาเต็มบ้องอวิชาเต็มตัวไม่ได้เรียนสิ่งเหล่านี้คือกองทุกที่ปุกถุชนเจริญ ง, งอกงามด้วยกิเลสทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวิ น, นาทีไปอยู่น่าสงสารเพราะฉะนั้น คนที่ไปนรกนี่มากกว่ามากคนที่มาเรียนรถละทางที่จะดับทุกทางที่จะไม่ให้กิเลสมันอ้วนมันโตมันใหญ่มันนาปุถุเนี่ยน้อยมาศึกษาแล้วก็ไม่ค่อยรู้จริงมิจฉาทิฏฐิเยอะที่จะหยุดระงับแล้วไม่สามารถที่จะเกิดอีก กิเลสนั่นเองไม่สามารถที่จะเกิดผู้ที่จะเห็นจริงรู้จริงได้กิเลสลังก์กิเล ส, ลงงเลสได้สนิทจริงต้องรู้จักตัวอ ต, ตักอั ต, ตาของกิเลสจริงๆเพราะฉะนั้นกิเลสนี่มันจะเกิดการชุมนุมกันประชุมกันเรียกว่ากายโยเมื่อมีปัจจัยถ้าไม่มีปัจจัยก็เหมือนไม่มีกิเลส แต่กิเลสจะมีเป็นอนุสัยและทุกข์อยู่คนเดียวไม่รู้เรื่องจะทุกข์ยังไงยังไงบอกได้ยากมากเลยเพราะงั้นก็ไม่ต้องไปพูดถึงทุกข์ยังไงก็ทุกข์แล้วก็ช่วยเขาไม่ได้ด้วยไม่มีใครเข้าไปช่วยแก้ทุกข์ในในของตนเองของแต่ละ ค, คนแต่ละคนไม่มีใครไปช่วยได้พระพุทธเจ้าก็เข้าไปช่วยไม่ได้ถ้าคุณทุกข์อยู่ในใจของคุณ เข้าไปในใจคุณไม่ได้คุณต้องมาบอกคุณต้องมาแสดงออกทางกายกรรมให้คนอื่นมาเห็นมาทุกข์เป็นกายวิญญัติหรือมาออกมาทางวาจาเป็นวจีวิญญัติคือมีอาการเคลื่อนไหวทางกายให้รู้ว่าทุกข์อาการเคลื่อนไหวทางวาจาให้รู้ว่าทุกข์รู้สึกก็ตามก็ดูได้จากอาการเคลื่อนไหวแล้วว่าฟิญญัติวิญญัติรูปสองอย่าง คือกายกายวิญญาตกับวจีวิญญาตมันมีสองอย่าง ว, วิญญาตสองอย่างเพราะฉะนั้นคนรู้เท่าทันว่าไอตัวกายอันนี้มันแสดงอาการทุกข์ยกตัวอย่างเช่นอาการวจีวิญญาตของคุณแปดเจ็ดศูนย์สี่แสดงออกมาแม้เป็นตัวหนังสือกนะ็คือแปดเจ็ดศูนย์หน้าทําไมเป็นแปดเจ็ดศ <laughs> ูนสี่ไปเนาะเมื่อกี้นี้เป็นสี่สองจีเจ็ดสองเจ็ดไปก็เลยสี่มาปนมาอีก มันสั ญ, ญาไปเรื่อยๆเพี้ยนไปเรื่อยแล้เราเนี่ยอ่าการแสดงออกมาในอาตมาดูอาการไหวแสดงออกมาเป็นวิญญัติแสดงอาการที่สื่อที่บอกด้วยความเคลื่อนตัวมีน้ำหนักของวจีมีน้ำหนักของประโยคมีน้ำหนักของลีลาภาษาต่างๆรู้ได้ทำเนียงสอนภาษากริยาสอนสกุลอะไรนี่เป็นต้นนั่นคือวิญญาตวจีวิญญาต กายก็คือการแสดงกิริยาทางกายกรรมทั้งหมดรวมกันแล้ววิญญาตก็มีสองไม่เอามโนเกิดจากมโนเท่านั้นนวัจจีกักายเกิดจากมโนถ้ามันมีมันก็ออกมาถ้ามันไม่มีมันก็ไม่ออกมันก็ไม่มีเหตุปัจจัยที่จะมากระตุ้นให้เป็นนะค่อยๆเรียนรูปอีกยี่สบแปดยิบสี่อะไรนี่ตอนนี้อาตมาก็จักเฟื่องหยิบพวกนี้มาแล้วก็โอ้โห สนุกเลยนะไม่ได้ท่องนะจําได้เข้าใจง่ายแต่โอ้โหที่ท่านเรียนอภิธรรมกันนี้ท่านทองว่าผุว่าพังทองอันนี้หลุดอันนั้นทองอันนู้ดหลุดอันนี้อรหมาไม่ต้องท่องพอจําได้ท่านก็จะจําเลยยิ่งจํายิ่งจํายิ่งจําไม่มีหลุดมันจะต่างกันต่างกันเมื่อไหร่เสมาจําอะไรได้ทุกวันนี้คุณก็ฟังอยู่นั่นแหละอรหมาก็ไม่โดนไปเปิดตําราอะไรมันก็จำเข้าไปแล้วมันก็ไม่มีหลุดไม่มีลืมไม่ใช่จําดยท่องแต่มันจําด้วยเกิด ความเปนจริงความเกิดปัญญารู้ปัญญามันสูงกว่าสัญญากายวิญญาณนี่ของท่านประยุทธ์ท่านบอกว่าความเคลื่อนไหวทางร่างกายให้รู้ความหมายเพราะนั่นแหละก็บอกกี้ก็อธิบายไปแล้วครับอาการเคลื่อนไหวอาการไหวทางกายองค <ผม S 1> ์ญญเรศน อ, อแต่ไม่ได้บอกให้รู้วิญญาณอะไรนะแต่ของพวกครูบอกให้ดูวิญญาณประกอบอันนี้ มันถูกรู้ไงกายเอาเป็นอาการขึ้นมาให้ถูกรู้แล้วรู้มันก็จะส อ, อกมาก็นี่แหละมันตื้ตอยอย่างเงี่มันถึงไม่ทะลุไงรับรู้ได้จากทางกายกายเิาเป็นแยเป็นรูปเพราะงั้นเราจะรู้สิ่งที่เพราะว่ากายต้องมีนามและในนามนั่นแหละจะเป็นกิเลสมันก็คือมีกิเลสถ้าไม่มีกิเลสมันคือไม่มีกิเลส ร, รู้กายจะรู้นามว่าจีก็มีนาม เขาแปลแค่นี้คนก็ไม่รู้เรือ่องใช่มันขาดมันไม่ค่ยเต็มเท่าไหร่ก็เอาเถอะจะเปว่าท่านแต่แปลไว้ให้กับบุญล้ะขอบคุณท่านอยู่แต่อาศัยของท่านนะ่ะเป็นฐานช่วยไว้เยอะหลาอย่างมันท่านท่านความคิดของท่านท่า น, านอธิบายประกอบเองก็มีขยายความเอออันนี้ไม่เคยเข้าทีแล้วก็ออกที่มันเห็นว่าในี่ถูกก็มีแต่ก็เกาจะไปว่าท่านท่านพยายามแล้วก็ขอบคุณแล้วนะ ท, ท, ท, ท่านก็ทำได้เท่าที่ท่านทำได้หนก็ทีนี้มาถึงวิพังคะสูตรนะวิพังกระสูตรอ่านสูตรไปก่อนแล้วค่ยมาไล่จะนานเมันอย่างข่าวที่แล้วมาติดอยู่ที่วิพังคะสูตรแล้วไม่ไปไหนเลยข่าวนี้จะพยายามไปไหนบ้าง <c oughs> เพรครบอยู่วิพากษ์กสุนี้าแตกไวแล้วมันโอ้โหมันน่าอธิบายทางนั้นชาติมีห้าเป็นต้นพบมีสาเป็นต้นอุปทานมีสี่ตัะหามีหเวทนามี6ปัจจมีหกสริยตระหนามีหกนามรูปมีเวทนาสัญญาจิตเจตนาปัจจามนัสิการและก็มีรูปอีกมหาปุตตรูปอีกอุปาทายรูปอีกอะไรเงี้ยตอนวิญญาณก็มีหสังขารก็มีสามอะไรงี้โอ้โหอ่านแล้วมันน่าอธิบายทะลุทะลวงทางนั้นเลย มันอยากให้รู้อ่ะอาตมาคงไม่ผิดนะถ้าอยากให้รู้ะน ะ, อะลองอ่านดูวิพังกสูตรพระผุทธมีพระประทับอยู่ณนะพระเจตวันวิหารอารามของอนาถบินกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีจุดๆพระพู้ธมีพระได้จัดว่าดูกระพิสูตทั้งหลายเราจักแสดงจำจักจำแนกตอนนี้จะจำแนกนะวิพังคาี่ไปว่าจำแนก จะจำแนกปฏิจจสมุปบาทแก่พวกเธอพวกเธอจงฟังปฏิจจสมุปบาทนั้นจงใส่ใจให้ดีๆให้ดีเถิดเราจะกล่าวภิกษุนั้นเหล่านั้นทูลรับพระภูมิภาคแล้วนะก็า้าพระภูมิวภาคก็ตัดว่าเดือกระพิกสุตรทางหลายก็ปฏิจจสมุปบาทเป็นชนัยนะเขไล่ซ้ำตั้งแต่อันต้นนิทานสูตรโ อ, อเทศนาสูตร อวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปขอหลัดหลัดนะก็เป็นปัจจัยกันไปกันไปจนโศกกะปริเทววทุกขตมณัตตุปยาสะความเกิดแห่งกองทุกทั้งมวลย่อมมีด้วยประการอย่างนี้นะข้อหากระจบหลายปฏิสุบัติทั้งยวงหมดแล้วก็อหก็ ข, ขึ้นใหม่ดูกระลัปิสุทธิ์ทั้งหลายก็ชรากับมรณะเป็นชนยัยที่นี้หยิบมา ท่านไม่จับคําว่าโสกะปริเทวตุขตโทมโนปายาตมาพูดเพราะอันั้นเป็นตัวทุกแน่นอนรวมแล้วทั้งโสกปริเทวตุขตโทมโุปายาตก็คืออาการทุกทั้งหมดเพราะฉะนั้นละไว้ที่ท่าเข้าใจมาเรียนรู้ตัวที่ชาติตัวที่ตนานี่มันจะเป็นตัวเหตุปัจจัยตัวนี้เนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ดับเหตุปัจจัยตัวนี้มันจะเกิดอยู่ยงั้นนะมันไม่หมดจริงก็งมาดับเจตทุกอย่างมาแต่เหตุศาสนาพุทธเนี่ย ถ้าดับไปจะได้ทุกอย่างดับหมดถ้าก็ามาเอาชารามารณะเป็นไงนะข้อหกความแก่ท่านพูดเป็นบุคคลาธิฐานก่อนความแก่ภาวะของความแก่ฟันหลุด น, นี่พวกฟันน้ำนมยังไม่แก่แต่ก็เริ่มแก่ด้นรอบหนึ่งละพวกฟันน้ำนมเนี่ยก็เริ่มแก่แล้วนะนี่หลุดฟันหลุดเนี่ยมันกำลังจะ ขึ้นมาเป็นไม่เดียงสาแล้วจะพ้จากไม่เดียงสาก็มีฟันหลุดออกแล้วก็ฟันใหม่ขึ้นทีนี้ฟันใหม่ขึ้นแล้วไม่ไม่ขึ้นอีกแล้วน ะ, ะความแก่ฟันหลุดผมงอปหนังเป็นเกลียวความเสื่อมแห่งอายุความแก่ง่อมแห่งอินทรีย์ในหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นันนันนี้เรียกว่าชราชราถ้าพูดเป็นรูปรูปธรรม ไปรูปธรรมทั้งนั้นนะเพราะนั้นในรูปธรรมเราก็เข้าใจลักษณะของมานะมีลักษณะเป็นลักษณะที่แสดงออกเป็นสภาพที่ข้างนอกนะทีนี้มรณะก็มรณ ะ, ะเป็นฉไหนมรณ ะ, ะคือความเคลื่อนมรณะคือความเคลื่อนมันเคลื่อนไปมันผ่านไปล่วงเลยไปนะเรียกว่ามารณะเคลื่อนไปนี่เหมือนกับตายตายจากตรงนี้ไป ไปเกิดตรงโน้นเคลื่อจากตรงนี้ก็คือตรงนี้ก็ทิ้งไปไปเปลี่ยนใหม่แม้จะเวียนมาเหมือนกับมาจุูจุดเดิมมันก็อันใหม่ถ้าคุณยังไม่ออกจากวงวัฏั้นคุณก็มองบทที่เก่ามันก็อันใหม่อันนี้แหละที่หมอดูนักพยายกรณ์ทั้งหลายแหล่เขก็จะรู้จักใครขยายวงได้ซับซ้อนมากกว่าใครใครปหมอดูที่เก่งกว่าหมอดูที่ไม่เก่งก็ได้หลอบน้อยรอบซ้อนน้อย ถ้าดูด้วยหลายรอบหลายรซ้อนและก็กว้างขึ้นความซับซ้อนขึ้นหมอดูคนนั้นก็เก่งกุกนะแต่มันจะวนอย่างนี้โดยลักษณะของทุกอย่างในโลกมันจะซ้ำซ้อนเพราะฉะนั้นจิตปัญญาญก็ไม่ไม่พ้นจากอันนี้มอดูโอแศนนี้แต่พวกศึกษาพุทธนั้นมอดูดูยากเพราะว่าทําลายตัวที่จะหมุนอย่างที่มันต้องหมุนตามธรรมชาติ มันเกินธรรมชาติมันไม่หมุนตามนี่แหละมอดูงงเฮย้ยมันไปไหนไวะมันไม่เดินตามตามนี่แหละพอแก้เปลี่ยนเวงวัฏฏะไม่เกิดไม่วนไม่หมุนไม่ไปก็งงทีแล้วมันไปไหนวะหายมไม่วนมาแล้วไม่เจอนะพอพวกที่เป็นอริยะหรือว่าเป็นพวกเหนือโลกเนี่ยพวกชาวโลกเนี่ยดูไม่ถูกแต่พวกชาวโลกด้วกันก็ดูกันได้นะพอได้พอถูก ชาวโลกจะมาดูชาวโลกกุตระนี้ยากผิดอีกพวกโล ก, กุตระเลยยากเลยมาดูชาวโลกตรัสความเคลื่อนภาวะของความเคลื่อนการความทําลายความอันตรธานมรรตยูความตายการกิริยาความแตกแข่งขันความทอดทิ้งซากศพความขาดแห่งชีวิตินทร์สีจากหมู่สัตว์นั้นๆของเหล่าสัตว์นั้นๆนี่เรียกว่ามรณะ ชาลาธราณะดังพันนามา น, นี้ก็คือความเปลี่ยนแปลงไปจะเปลี่ยนแปลงไปโดยการเคลื่อนที่โดยการเสื่อมจนกระทั่งโดยการเสื่อมแล้วจบาตายหมดเรื่องหมดราวอันสภาพนั้นเปลี่ยนไปเลยหายไปเลยเป็นใหม่อันใหม่แม้จะวนมาในรูปเก่าเหมือนเก่ามันก็อันใหม่ มันก็อันใหม่ใช่ไหมมันจะอันเก่าได้ยังไงใช่มันเพราะมันผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วครับมันก็อันใหม่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนี่ต้องเข้าใจลึกๆเพราะงานอันนี้ให้รู้แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปชราก็เดินทางไปสู่ความดับมรณะก็ถือว่าดับมันเป็นอย่างนี้ได้โดยสัจจะแต่ ไอ้เรื่องที่มันจะไม่พาให้หยุดเนี่ยมันจะพาให้มาเกิดสั่งสมทั้งร่างกายและตัววิญญาณนี้มันตีไม่แตกองค์เตีไม่แตกแล้วขยายทุกข์ขยายความโงเม่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นได้ด้วยจึงมาเรียนรู้ตัวนี้เตวิชาตินะตอเริ่มต้นตัวสําคัญก็มาเรียนกันที่ชาติชรามาระโซกับปฏิเลยว่ามันเกิดถ้าดับชาติจะได้พวกนั้นทั้งยวงหายไปหมด ชาติเป็นชไหนข้อเจความเกิดชาติอธมากกับพระบรีนะความเกิดมาแปลเป็นทยว่าชาติความบังเกิดสัญชาติความยังลงโอกกันตินะเกิดนิพพติเกิดจำเพาะ อ, อภินิพพติ ความปรากฏแห่งขันตอนนี้เกิดมาเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นตัวเลยขันทัทานังปาตุพาโวแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นเลยขันททานังก็คือขันกองที่เกิดเป็นรูปเป็นร่างเป็นตัวเป็นตนเป็นอะไรเลยความได้อายตนะครบในมูสัตว์นั้นนั้นีก็ เกิด <S an throp od> เรียกว่าอัตตาอายตนะอายตน า, ตนานงปิตลาโพแปลว่าได้ปิลาโพนี้แปลว่าได้ได้อะไรได้อายตนะครบในมูลสัตว์ในตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งอายตนะนี้จะเกิดกับบิน ญ, ญาณเท่านั้นมันไม่เกิดกับอะไรอื่นมันจะเกิดกับทารู้เท่านั้นอายตนะ ถ้าไม่มีธาตุรู้อายตนาไม่มีเลยในที่ใดๆอายตนาจะเกิดที่ธาตุรู้เท่านั้ น, นของเหล่าสัตว์นั้ น, น, นอันนี้เรียกว่าชาติเพราะชาติคําเดียวท่านแต่ก็ไปเป็นชาติสัญชาติโอกันตินิพัติอภินิพัติแปลรวมทุกตัวคือเกิดชาติแต่จะเกิดยังไงลักษณะชาติคื อ, อยังไงมี ในละเอียดที่มาสัญชาติยังไงโอกนติยังไงนิพพติยังไงอภินิพพติยังไงก็อธิบายฟังคร่าวๆนิดหนึ่งก่อนไม่งั้นมันจะลึกเลยไปอีกที่เดืกี่ปีก็ไปได้ชาติมันรวมกันแล้วชาติก็คือการเกิดคํากลางๆรวมๆทั้งหมดสัญชาติก็คือชาติโอกนติก็คือชาติอนิพพติก็คือชาติอภินิพพติก็คือชาติ ถาอภินิพัติจบเลยชาติถึงจะศูนย์การเกิดซ้อนจนกระทั่งไม่เหลืออะไรแล้วถ้าเหลืออยู่ก็ยังมีชาติถ้าไม่เหลือชาติเลยเป็นอภินิพัติเต็มก็คือนิพพานหมดสิ้นศูนย์การเกิดนะเพราะลักษณะการเกิดลักษณะห้าอย่างนี้จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามฉบับหน้า นังสือพิมพ์ก็จะต้องแมมนวณิยายเนี่บโอ้โหกําลังเข้าใครนะตอนนี้กําลังอยากรู้ต่อเ น, นี่ยโปรดติดตามฉบับหน้าว่าแล้วเมื่อไหร่มันออกว่าอบับหนําทำไมยังไม่ถึงวันออกอทีคนติดแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ้าวจากชาติมาถึงพบพบเป็นไนพบสามเหล่านี้คือการมาพบรู ป, ปรพบ อ, อรู ป, ปรพปนี่เรียกว่าพบ พบกามก็คือต้องประกอบปไปด้วยตาหูจมูกลิ้นกายารูปภพก็เหลือข้างในข้างนอกไม่ที่มีทุกข์ไม่มีสุขแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่มีอวจรอยู่ในกามภพมีอวจรในกามภพแหละแต่กิเลสของคุณไม่อวจรแล้ว กิเลสคุณไม่ออกมาท่องเที่ยวในกามแล้วถ้าคุณเป็นอนาคา ม, มีคุณก็มีแต่กิเลสในรูปาวจรของคุณเข้างในพบมันไม่ออกมามีบทบาทไม่มีอาการเคลื่อนไหวออกมาแล้วไม่มีกายวิญญยตไม่มีจีวิญญยตไม่มีอาการเคลื่อนไหวออกมาข้างนอก มันไม่มีบทบาทวิญญาตอาการเคลื่อนไหวออกมาให้รู้ได้มันจะไม่รู้วรามันไม่ออกว่ามันไม่ทำมันเคลื่อนไหวอยู่แต่ข้างในมโนวิญญาตแต่ท่านไม่พูดมโนวิญญาตเนี่ยไม่ใช่รูปรูปถูกรู้อันนั้นจะรู้โอ้โหมโนวิญญาตหรืออาการเคลื่อนไหวนะั่นต้องรู้ของตนเองเท่านั้น <c oughs> พรามันจะเบามันจะหมดสุดท้ายจบค่อยๆ อ, อธิบายใรูปยี่แปดหรือไอ้พวกนี้จากอันนี้ไปมันจะเป็นรัศมีแบบไหนแบบไหนแบบไหนค่อยว่ากันแล้วก็ค่อยอธิบายกัน <c oughs> มันจะมีลักษณะอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอะไรต่างๆนั่นนะเป็นถึงขั้นวิกาล ร, รูปนี่เป็นต้นถึงขั้น มันลดมันหายไปมันไม่เกิดจนมันกลายเป็นมุทุตามันเกือบหมดแล้วเป็นลัหุตาจนกระทั่งมันหมดแล้วเป็นมุทิตาเป็นอุเบกขาอุเบกขาเป็นส่วนหนึ่งของมุทุมุทมุทิตามุทุมันเป็นส่วนหนึ่งของอุเบกขาอุเบกขามีองค์ธรรมห้าแล้วมันก็ทํางานเป็นกรรมมัญญตา เป็นกายะกรรมัญญาตางี้เป็นต้นมันไม่มีกิเลสมันเป็นลักษณะวิการรูปที่รูปที่จะถูกรู้สภาวะของนามธรรมที่มันมีมีการวิวัฒนาการอย่างไรมันเสื่อมก็รู้มันเสื่อมแต่มันเจริญเป็นวิวิการะทาได้วิการะท่านบอกว่าปรับมันได้ดัดแปลงมันได้ปรับปรุงมันได้เปลี่ยนมันได้เปลี่ยนมาสู่ความเจริญ มีการรูปมันมีทั้งละหูตามุตุตากมัญยตาและวิญญาตสองวิญญาตก็คือกายแลวิญญาตก็วิจิวิญญา ต, ญญาตเอาค่อยอธิบายกันต่อๆไปในอนาคตในรูปประพบอรูปประพบลึกขึ้ไปอีกอละเอียดขึ้ไปอีกแต่ก็ลืมตานี่แหละทำเป็นลำดับเบื้องต้นตรงกลางมันปลาย จึงไม่ใช่วิธีการปฏิบัติหลับตาเลยของพุทธแต่หลับตาเป็นอุปการะเพื่อที่จะเรียนรู้เตวิโชได้และต้องทำควรทำเตวิโชเพราะตรวจสอบลงบัญชีหรือเวลาเราทาให้เจโตสมตะจิตนิ่งๆไม่ได้คิดอ่านไม่ได้ไปปรุงแต่งกอะไรจิตเป็นอยู่กับจิตเองจริงๆโอ้โหมันคิดดี มันสงบมันเรียบร้อยมันคิดได้ดีคิดได้ชัดคิดได้นิ่งมันเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ในการศึกษาเป็นประโยชน์ในการทําความเจริญให้แก่นตนคนก็ก็หาว่าอรรมาตีทิ้งนั่งหลับตาอาจามามาพูดหนักในทางลืมตาเลยก็บอกว่าตับตามันไม่ใช่ของพูดแต่ใช้เป็นเทวสมาธิฐิแล้ว แต่คนที่ไม่สมาธิถี่ในป้ายเข้าใจผิดเลยว่าเอาแต่หลับตาอะไรก็จะไปเป็นอะไรต่างๆนานาไม่ได้รู้ทุกจริงอะคนนั่งหลับตาสมาธิเนี่ยไม่ได้รู้ทุกจริงตรงไหนไม่ได้รู้ทุกจริงเพราะว่านั่งเข้าไปอยู่ในภพเรียกว่าผวังกามาภพปิดตาหูจมูกลิ้นกายไม่มีไม่มีกามาวาจร มีแต่รูปาวจรกับรูปาวจรข้างในจิตเพราะฉะนั้นเมื่อไปอยู่ที่ตรงนั้นแล้วมันก็ไม่ชัดมันก็มีเจนมันก็ไม่รู้ความจริงเมื่อไม่รู้ความจริงแล้วมันมีแต่ของแห้ง <c oughs> ที่นี่ไปนั่งสมาธินี่เขาจะไม่รู้เรื่องของทุกข์ที่เกิดทุกข์อย่างชัดชัด <c oughs> เช่นเขาจะรู้แต่กายะทุกข์กายิกทุกข์ แล้วเขาคิดว่า น, นี่ละทุกข์ความจริงมันไม่ใช่ศาสนาพูดให้เรียนเจตสิกะทุกข์แต่เจตสิกะทุกข์นี่คุณไม่ได้เรียนเจจติกะไม่ได้เรียนจิตไม่ได้เรียนวิญญาณเพราะวิญญาณมันอยู่ข้างในนะมันมีแต่สัญญาเป็นหลักมันไม่ใช่วิญญาณแท้วิญญาณมันต้องสัมผัสจริงแล้มกันต้องโลดแล่ออกมาทางกามวิญญาณนี่ถ้าไม่มีตาหูจมูกลิ้นกาย มันจะไม่เกิดวิญญาณแท้มันจะเป็นแค่สัญญ า, าเกิดแต่แค่สัญญาพวกนั่งสมาธินี่ก็เป็นอย่างนี้จะเปิดโปงให้ฟังขยายความตรงนี้ขอมดเวลานั่งแล้วมันก็เมื่อยมันก็ปวดขาปวดเอวนั่งทับขาทับอะไรมากเขาก็านี่แหละมันทุกข์ทุกข์ ทุกข์ไเป็นไงอย่าขยับนะถ้าขยับเนี่ยมันไม่ใช่แท้นะคุณต้องเพ่งว่ามันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงอ่าก็สะกดจิตให้มันชินเนีมันทนให้มันอะไรอะไรไป้วโอ้โหคนพวกนี้นี่สุขภาพเสียไปเยอะเลยเพราะว่าประสาทเซลล์กล้ามเนื้อต่างๆนะนามันถูกเข้าใจผิดนะ มันก็เลยทําเข้ามังมากเสียเซมเสียประสาทเสียกระดูกเสียไปน่นเลยเพราะไปทรมานมันแล้วก็ไปเรื่องทุกข์ไปแก้ไม่ไม่แก้ไม่ถูกก็มันทุกข์เพราะว่ามันไม่สมดุลในเลือดลมมังทับมันมากอะนู่นอะนี่มั่งอะไรก็ขยับเปลียนที่เยาว์ปัญหาทุกข์ดังกายยิ่งกระทุกเมื่อใจใจจะ แยกกายยกระทุกกับเจตสิกกะทุกไม่ออกไม่ได้เรียนว่าเจตสิกะทุกนั้นคืออะไรเกิดจากจิตเกิดจากอารมณ์เกิดจากการปรุงแต่งของจิตไม่ใช่ปรุงแต่งของกายนั่นหนึ่งผู้นั่งสมาธินี้ปวดเอวปวดขาปวดน้นปวดนี่ปวดอะไรก็แล้วแต่ ปวดส่วนไหนก็แล้วแต่เจเขาถือว่านั่นแหละคือการถ้าทำจนไม่ปวดได้นั่นแหละพ้นทุกพ้นทุกเก่งมันจำนานมันชินมันหาวิธีแก้มันได้นะเมื่อคนหัดทับจีก็ยังหัดแก่ทั้งโอ้กเก่งมันเกิเหมือนกันนะ่ะแล้วก็บอกว่านั่นแหละดับทุกนั่นนึงสองอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งไปในกามฟุงฟ้งมนเป็นตต่างทีนมิทะ ฟุ้งไปในการฟุ้งสร้างฟุ้งไปในการว่าอะไรอะไรต่างๆนามันฟุ้งมันก็ดึงมันกลับดึงมันกลับมันไม่เคยอยู่หาอะไรมันหลอกมันจดจ้องจดจ่ออยู่ที่ทีเดียวอย่าให้มันคิดอะไรอย่าให้มนปรุงอะไรเลยจกหนึ่งหนึ่งนหนึ่งอยู่สะกดมันเอาไว้ตรงนั้นจึเรียกว่าสะกดจิตไม่ได้เรียนรู้ว่ากิเลมันเป็นยังไงวิลาเป็นยังไงแล้วมันไม่เที่ยงยังไงไม่ใช่ไปรู้ความไม่เที่ยง ไม่เที่ยงเพราะมันเกิดบนป่ า, านี่มันก็ไม่เท่าเดิมหรือมันมากหรือมันก็น้อยเน้นพาทุกมากพาทุกน้อยพาให้เกิดนิทานสมุทัยปัจจัยเกิดเรื่องเกิดราวากเกิดเรื่องเกิดราวน้อยมันไม่เที่ยงมันเองมีอาการรู้ความไม่เที่ยงเหล่านั้นเลยฝึกเข้าอย่างเท่านั้นไงซึ่งอรตมาก็ทำมาหมด มันต่างกันของพระพุทธเจ้าต่างกับลีลาของกิเลสมันผ่าทุกอย่างนั้นอย่างนี้ที่รู้อาการลีลาของมันจริงเมื่อกระทบสัมผัสจริงแล้วมนเกิดกิเลสเขามาร่วมปรุงแล้วมันทุกข์เพราะกิเลสแล้วมันสุขเพราะกิเลสอันี้ไม่รู้สุขมันฟุ้งซ่านมันทุกข์คุณก็ดึงมันเข้ามาไม่ให้มันฟุ้งซ่าน มันสงบหรือมันเป็นนึกถึงกามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเขาก็ดึงกลับมาแม่มันไปคิดแม่มันไปฟุง้งกามมันก็ฟุ้งเหมือนกันนี่แหละมันคิดไปมันไม่ได้เกิดอาการสดๆนะคุณสัมผัสในเกิดอาการสดๆมันอยากตอนนี้สดๆเลยนี่สัมผัสรูปสัมผัสรสสัมผัสเสียงสัมผัสหูนะอยาก อยากได้มาสัมผัสมาเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นน่ะสดสดมันตาน่างกันที่หมดมันจึงไม่ได้เรียนรู้ของจริงเพราะงั้นการสร้างชานสร้างสมาธิหลับตาคระลึมตาจึงได้คนลำแบบจริงกว่ากันสดกว่ากันครบคันกว่ากันเยอะอันนั้นมันมีแต่ฟุ้งซ่านนึกคิดไป แล้วก็สะกดสะกดเท่านั้นจะเรียนรู้ในจังทุกครังอนัตตาก็ไม่ชัดเจนมันไม่มีลีลาไม่มีอะไรชัดแต่อาศัยได้อย่างมากนั่งสมาธิเป็นเจโตสมุทตะที่อาตมาเคยแยกให้ฟังแล้วมี4ีอย่างใหญ่ๆ ห, หนึ่งพักสงบ อาศัยสุขวิหารธรรมพักสบายสงบทําให้จิตนิ่งสบายเหมือนนอนนั่นแหละนอนสงบสงบสบายพักสองศึกษาการศึกษาก็ได้อ่านได้รู้อะไรรู้จิตจิตมันฟุ้งซ่านเป็นยังงี้จิตมันเป็นการที่มันฟุ้งไปอาการมันเป็นอย่างงี้อะไรต่างๆนั่นนาอมันไม่นิ่งเป็นอยังงี้อะไรแต่ละอยมันห่วงเป็นยังงี้มันอะไรมันติดอะไรต่างๆก็ศึกษา จะได้อ่านอาการของจิตจริงๆแต่มันแค่อยู่แต่ในวตะภาวะผวังในภพเท่านั้นมันกระตุ้สัมผัสมันจะเป็นอาการจริงยังไงมันไม่ได้เรียนมันเรียนแต่อยู่ในการฟุ้งๆขึ้นมาเป็นความจํำเราก็ได้ศึกษาได้ศึกษาได้ดีแต่เพราะมันไม่กระจายอย่างข้างนอกนี่มันโอ้โหมันกว้างมันเยอะใช่ไหมอันนี้มันก็ตหลอมที่มันคิดมันนึกมันฟุ้งอยู่ในในเท่านั้นเองก็ได้ศึกษาชัดขึ้นได้ มันตัวง่ายขึ้นเพราะมันไม่มีอะไรกวนมาก3ถ้ารวมตัวกันได้เป็นสมาธิพอสมควรคุณก็ใช้ระลึกเทวิชโชระลึกถึงเรื่องเก่าเหตุนิทานสมุทัยปัจจัยที่ผ่านมาว่าคุณไปเป็นกิเลสยังไงได้ปฏิบัติหรือไม่แพ้กิเลสหรือวชนะกิเลสเมื่อ น, นั้นเมณีตามเรื่องตามราวรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยสมุทัยต่างๆ แต่วิดโช์อะไรเกิดขึ้นอะไรดับทําให้มันดับเพราะว่าเราเรียนรู้เพื่อทําให้มันดับคุณได้ทํำไหมธรรมดามันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ดับดับเองดับโดยเหตุปัจจัยดับโดยการควบคุมมันบ้างสัญชาตญาณควบคุมมันบ้างสะกดจิตสะกดใจไว้บ้างธรรมชาติแม้คุณมีเหตุการณ์ว่าอะไรลืมตาไปเป็นเรื่องราวไปเป็น เรื่องนิทานส ม, มุทัยเมื่อใดก็เลื่อนลึกมาสิบุพเพนิวาสันสติไม่ต้องไปเอาข้ามชาติหรอกชาตินี้แหละยิ่งเป็นนักปฏิบัติทำก็ได้รู้ว่าเออเราได้ปฏิบัติไม่เมื่อ น, นั้นเมื่อนี้มีสติสัมปชัญญะมีโพชฌงมีมรรคแปร่วมในการปฏิบัติตอนนั้นตอนนี้เมื่อใดแล้วมันได้ผลไหมตามทฤษฎีพระเจ้สาสอนเราก็ได้แล้วศีล ส, สมาธิปัญญาโพชฌงเจ็ดมรรคแปดเขได้ปฏิบัติทำอธิบายได้ไหมจากทฤษฎีต่างๆเอาไปใช้ปฏิบัติ ถ้าได้คงจะได้รู้เลิกกิเลสลดได้ไหมก็จะได้รู้แต่วิชโชโอ้นี่ได้ดับอาสวะเลยอันนี้มันเกิดอั น, นี้มันดับอันนี้มันเกิดดับไม่ได้หรือมันเบาลงก็จะรู้หมดเลยจุดตูปปาทายานก็รู้ดับอาสวะก็รู้แต่วิชโชสามอย่างเคยใจตบโวนใช้ตรวจสอบสิ่งที่ผ่านมาจริงลงบัญชีธรราะเคยใช้คำว่าลงบัญชีตบโวนแล้วก็ลงบัญชีดูว่าตรวจสอบว่า โอ้ตอนนี้ขาดทุนยับเยินเว้ยตอนนี้เออเท่าทุนเว้ยเออตอนนี้กำไรเว้ยมาตอนนี้กำไรวันนี้กำไรเยอะแล้ววันนี้โอโหทำทันนะระงับได้ทันนะมีคําพนะน้อยแต่ทังขับปะหานเยอะโอ้ดีสมุดเฉดตะปะหานก็ได้โอโหปฏิปฏิปฏิปฏิปัติัณฑ์ก็ได้ทําโอ้ดีกำไรคุณก็ทวนตรวจสอบความจริงลงบัญชี สมบัติลงบัญชีสมบัติได้เท่าไร่มันก็ไม่งมงายมันก็รู้ว่าเรามันมีผลก้าวหน้าไหยเจริญไหมหรือไม่เปเรีย อ, อะไรเงี้เป็นต้นอีกอันนึงอัตมาก็อธิบายแถมไม่แนะนําคือสร้างพลังจิตให้มันเป็นพลังจิตและเอาพลังจิตไปเล่นเลอเทอะเป็นกําลังจิต ไปเลยนะพนิหารอ้ที่ปาติหารเทศนาปาติหารทําอะไรอะไรต่างๆนานาที่มันเป็นพลังงานที่มันนอกเรื่องของอริยสัจสีนอกเรื่องากการทําให้พนทุกข์ก็ทําได้แต่ไม่แนะนําไม่ต้องไปกังวลมันได้ไม่ได้จากหัวมันไม่ต้องมีไม่ต้องไปทําเสียเวลาดับทุกเถอะเป็นอหรหันต์แล้วคุณอยากมาทำํำคุณเป็นบริษัทคุณจะทําไปเองเพราะมันมีเรื่องหรือไอ้นวลมันต้องทําแล้วอา้าวสร้างพลังจิตเพื่อที่จะสร้างอันนวลนี้อีก มันมีได้สบายทำไปก็ไม่เป็นไรเราพัคุณไม่หลงมีหลักประกันแล้วเป็นอหรหันต์แล้วแต่คุณยังไม่มีหลักประกันไปเก่งอิทธิไปเก่งอาเทศนาเสร็จเสร็จอีดางเสร็จอีดางยจริงมันไม่มีหลักประกันจริงๆลาบยอดสนันเสริโลกีสุกูสารพัดสารเพไม่ได้หรอกนะ อาละมาจบตรงที่อธิบายใจวิโช่าไม่ใช่อธิบายใจตัวสมถานนี้เป็นประโยชน์หรือเป็นโทษแต่สมาธิของผู้จ้านั้นลืมตาสั่งสมจิตเป็นฌานเป็นสมาธิอย่างที่อธิบายวันนี้ก็ผ่านไปก่อนเวลาหมดแล้วสำหรับวันนี้คุณมีอะไรจะสรุปสรุปแต่จริง่มันไม่มีเวลาให้นี่แหละ วันนี้ได้ฟังเรื่องปฏิจจสมุปบาทนะคือความเกิดแห่งกองทุกทั้งทั้งหมดนะคือเพราะเราเริ่มต้นโดยอวิชชานะพ่อครูตอบแปดซไอซีเจ็ดสองเจ็ดไปนะคำหนึ่งที่พ่อครูถามซึ่งอาตมาก็ต้องคิดคุณมีหรือเปล่าสิ่งที่คุณบอกว่าไม่มีนะ <c oughs> หมายควาว่า คุณบอกว่าอันนั้นไม่มีแล้วในตัวคุณยังมีอยู่ป่ะหรือว่ามันไม่มีแล้วอะไรอย่างนี้คือถามย้อนให้คิดอะไปถึงที่คุณพูดอะคุณได้ทำไอยังได้เป็นหรื อ, อยังอะไรน่นะในคว่ามรู้สึกเราก็ต้องมาถามตัวเราเราเป็นบ้างยังเนี่ยนะเราก็ต้องตอบตัวเราว่าเราได้เป็นไหมนะตามที่เรามีอวิชชาหรือเปล่าสังขารเราเป็นยังไงนะวิญญาณสิ่งที่พรอครูจะบอกให้รู้สําคัญก็คือนามรูปนะ ในโลกนี้ก็มีนามก่อรูปเท่านั้นที่ที่อยู่ด้วยกันคือมีตัวรู้กับตัวถูกรู้เท่านั้นเองนะคือมีนามรูปนั้นถ้าเราเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยก็คือท่านบอกว่าเป็นคนที่กิเลสโตขึ้นทุกวินาทีอันนี้ท่านบอกว่านามสงสารมากแต่สาหรับเราคือน่ากลัวมากนะเพราะถ้าเราตายไปขณะที่เราเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยไม่เติบโตในการละกิเลสเนี่ยเราก็หมดสติเน่ยแล้วว่าเราเจอได้มีโอกาสมาเจอ พระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านประกาศตัวว่าท่านเป็นโพธิสัตว์เป็นสัตว์ตูปุรุตเนี้ยที่จะสามารถแจกแจงธรรมะทำให้เราละกิดเลสได้เนี่ยแต่เรากลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากท่านเลยเนี่ยแต่มาว่าถ้าเราตายตอนตายเราก็คงจะเสียใจขนาดหนักหรือว่าท่านตายไปเรายังไม่ตายเราก็จะเอาหัวตีดินฟาดแล้วก็เกลือติ้งไปมา ไม่น่ารีตายเลยนบุษราจะจะปฏิบัติทําสักหน่อยเนี่ยแต่ว่าอตอนท่านอยู่ก็เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนรอเวลาเนี่ยมันเหมือนกับอรรมะอ่านตอนพระพุทธเจ้าปรินิพานเนี่ยคือบางคนก็เอาอากาศเป็นอะไรเป็นเหมือนดินอะ่ะแปรงหัวแล้วก็เกลือกลิ้งไปมาบางคนก็เอาดินนี่แหละเกลือกลิ้งไปมาที่จะรู้สึกว่าพระุทธเจ้าไม่น่าจะรีบปรินิพานไปเลยนะน่าจะนิดหน่อยเสดายนะแต่เสดายตอนที่ท่านไม่สามารถเดี๋ยวกับขึ้นมาได้นะเหมือนกับ อาตมารู้สึกเออถ้าเราเป็นคนสมัยนั้นเราก็ใจหายนะเหมือนกันตอนนี้เรามีชีวิตยอยู่เนี่ยพราะคตรตายไปขนาดนี้เราก็ใจหายผู้เลยเฮ้ยเรายังไม่เป็นพระอรหันต์เลยเหมืนาอนพระอนุนต้องร้องไหนะ้อะไรอย่างเงี้ยคือมันน่าเสียดายว่าบุคคลที่จะอธิบายธรรมะได้ลึกซึ้งขนาดนี้เนี่ยนี่พระเจสังขารขึ้นมาว่าในโลกนี้เนี่ยมันจะมีอย่างคนอย่างนี้สักอีกคนไหมเนี่ยนะอาตมารู้สึกนะมันจะมีไหมเนี่ย แต่มารู้สึกว่ามันจะมีหรือเปล่าหรือไม่มีแล้วนะแต่เราตอนนี้เรารู้สึกว่าเราไม่มีพูดไปมันก็เราเหมือนเราหลงอาจารย์ของตัวเองว่าดีสุดในโลกมีคนเดียวในโลกอะไเนี่ยแต่จริงๆมันเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านี่ที่เป็นในโลกนี้นะะเราก็ตั้งใจฟังให้ดีเราจะได้ต้นรักิเลสไม่เป็นบุตุชนเป็นอดียชนเหมือนพรกครู บ, บอกสุดท้ายว่าเรามีหลักประกันซะแล้วว่าเราเป็นอรหันเนี่ยแน่นอนจะไปศึกษาอะไรมันก็ ไปรอดมาทุกอย่างแต่ถ้าเราไม่มีหลักประกันนี่เราก็หลงโลกแล้วก็เอาออกมายากนะสิ่งนี้นี้ก็คือที่สรุปให้ฟังในวันนี้นะส่วนเรื่องสุดท้ายที่ขอแจ้งคือแจ้งข่าวมรณะมรณะอ่านมรณสติเรานะคือคุณแม่ของคุณจุย้ยคุณนิวัฒนะ์<อ>จะได้ทากรุมราบูชาธรรมเสียชีวิตเมื่อวานนี้<อ>เนื่องจากเป็นรโรคมะเร็งที่เต้านมนะ แล้วก็สวดที่วัดศาลาแดงศาลาสามแถวพุทธมนทนนะเริ่มสวดตั้งแต่วานนี้จะไว้เจ็ดวันวันนี้เประเจารย์หลังจากเทศน้าศพอาจารย์ตะวันแล้วก็จะไปเทศงานศพที่นี้ต่อนะก็จะกำหนดฝังวันที่วันพุทธที่สามิเอดกันอ่ะอ่าก็อ้าวเขียนเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมใช่ไหม เดจานเทศวอาทิตย์และกำหนดฝังศพวันพุทธที่31กรกฎาคม2556นะก็เจ้าพาว่าเกรงใจไม่กล้ารบกวนพวกเรานะแต่ว่าพวกเราก็จะไปช่วยกันพรุ่งนี้ที่จะ น, นำหนังสือไปแจกใครที่อยากจะไปก็ได้ในงานศพนะที่วัดศาลาแดงนะศาลาสามนะคุณแม่ของคุณจุ้ยคุณที่วัดเช่นแจที่กุมรามบูชาธรรม สำหรับรายการเรียนอิสระตามธรรมเนีกวันนี้ขอจบเรืยเวราววันนี้ก่อนก็ขอกลับขอพระคุณพระครูได้ความเคารพอย่างสูงครับและขออนุมโมทนาทุกคนที่ตั้งใจฟังธรรมเจริญธรรมทุกคน